บัณฑ์พระบุรุษต้องเฮาที่ได้เกิดมาเป็นเฮาบัณพรบุรุษได้เกิดมาเป็นมูเฮาเลยละแต่เก่าพันอยู่บัณฑเก่าเมืองเดิมพันใดศึกษาใดปฏิบัติธรรมมาแล้วพันมาเกิดใหม่พันก็จะต้องพัฒนาต่อไปก็ได้แก่มูเฮาเลยละ่ะมันเป็นรูเป็นหลานหรือว่าเป็นปบุรุษที่มาเกิดนี้เฮาจะต้องทําต่อไปจนถึงที่สุดคือผลถุกะเมื่อทุก เ้าบอท่านพุทเขาก็ได้เกิดมาไม่อีกอแม่ว่าเขาได้เกิดในต่ังศาสต์ตางบานตังมืองต่ังาศาสนาเขาไม่มีโอกาสได้มารวมกันไม่อีกนะนั่นในการมาร่วมกันใดเนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องยากถ้าข้าพมีบุญมีกุศลอีริยนี่ก็มารวมหมดอย่างสี่บุได้เพราะว่าเขามาเกิดในประเทศที่โบราณศาสนาของเขาเนี่ยมันมีแต่อุปสรรค กลจะได้สถานที่มาให้โม่เฮาได้มานั่งปริบัติอย่างนี้สิ้วสู้กันดินดน้นแก้ปัญหากันมาหลายปีแหละกูสิได้มันมาได้มาอย่งซี้แล้วเขาก็เห็นความสําคัญบ่อเป็นของได้มาง่ายๆดินดอนดินแดนของแห่งนี้เป็นที่สําคัญเพื่อเป็นที่รองรับพัฒนาบุญกุศลนงเฮาโตไปนะ โดยเฉพาะยังยิงลูกหลานเขาที่บลืมภาษาบลืมวัฒนธรรมเขามาอยู่นี่แล้วถ้าเขาลืมภาษาหรืมวัฒนธรรมนี่เขาจะบอกเข้าใจภาษาของพ่อแม่ของเขาก็จะขาดโอกาสแต่พี่น้องทั้งลูกหลานของคนล่าเขายังดีกว่าทั้งอื่นเด้หลายคนที่บอารักษาภาษาอบรรพบรุษไว้ได้นะเพราะเขาจะต้องได้สืบ สารเอาวัฒนธรรมาศาสนาวัฒนธรรมทางพ่อแม่ของเขาไว้ภาษาบรนะิเรื่องสําคัญนะเรียภาษาไทายภาษาเล่าเนี่เป็นภาษาใจวอกเข้าใจกันไงนะเป็นภาษาดีเรียกว่าถ้าวอกภาษาอังกฤษต้องกัร น, น, น, นี่มันบวลึกซึ้งมันบวกข้าใจลึกคือภาษาของเขา จะพยะยามอธิบายบรนไดก็ตามนะดังนั้นลูกหลานเขาที่มาอยู่ที่แล้วแย้เสื่อมภาษานะแล้วก็เมื่ อ, อคนรุ่นพอรุ่มแมงเขาได้มาขอนไขที่มองหนีเอาไว้แล้วซอยกันรักษาซอยกันพัฒนาถ้ามูวเขาบ่มไม่ซอยกันรักษาบ่มไม่ซอยกันพัฒนานี่เมื่อมดรุ่นเพิ่นไปเนี่ย ดินพอดีเก็ตกเป็นของคนอื่นไปแต่ละมูเข้าสวยกันดูแลรักษาต่อไปเมื่อก็ะย่าเป็นที่พัฒนาหมูจิตวิญญาณลูกหลานเขาต่อไปได้นะก็นับว่ญญายากอยู่รือเฉพาะบ้านนี้เมืองนี้เข้าที่ดินทีด่ดอนนี่มันแพงแพงหลายอะไทุกอย่างน่ะการก่อสร้างมางแปลงการทำที่อยู่อาศัยเนี่ยแพงเบส แขกัวแผดใหญ่งงถึงสองสามเท่าเท่าที่ทราบดังนั้นเราต้องมีต้องมีการร่วมตัวกันขอนขวายกันเป็นพิเศษจะต้องมีปูหลับอาสาเข้ามาช่วยกันช่วยกันปลุกสร้างมั่งแปลงทําความสะอาดถูกอาทิตย์ทุกเดือนก็จะต้องมีกลุ่มจิตอาสาของหนุ่มสาวดูแลเขาในะร่วมกลุ่มกันเข้ามาเพื่อ เป็นการซอยพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์องคเจ้าสหายากกับสมุนีถ้มามูห้องมาซอยกั น, น, นบวมมาซอยกันเงยาบให้ใส่เงินใส่ทองจ่างแต่คนอื่นมาเหตให้มันยากทั้งนั้นให้จำเป็นต้องร่วมตัวกันเข้ามาหมู่หลวงพ่อก็มีโอกาสเอาธรรมะในวิธีการโพเทียนมาลุงให้ซึ่งกระโบเมนของธรรมดาก็ไม่ยากือกันนะแล้วนั้น เมื่อมาแล้วผู้ใดมีบุญหลายกู้มูอก็ได้เข้ามาศึกษาปฏิบัติกลอนผู้ใดมีบุญหน่อยกับบดิมาผู้ใดมีบุญปานกลางก็ได้มาในบดิมาใน น, นั้นผู้มาแล้วนี่พออยากจะให้ตั้งใจที่ได้ฟังเทพตอนตนที่หลวงพ่อเทียนเบุญบอให้ฟังการเข้ามาศึกษาปฏิบัตินี่ต้องมีความหักมีความเลื่อมใสใจศรัทธาบริมาเดมาด้วยความจำใจหรือมาด้วยความ สงสัยแต่มาด้วยความตั้งใจมาด้วยความหักมาด้วยความคารุบเข้าคารพในสถานที่คารุบในพ่อแม่ครูบาอาจารย์คารุบในการฟังธรรมคารุในการปฏิบัติธรรมนั่นก็ใครสักส่วนกันมามู ล, ลูมูลานเขามาแล้วว่านั่งไปปฏิบัติมาแล้วก็ทำความเข้าใจพูนบ่ไดเข้าใจน้ำบ่พูนพาเห็ดอันใดเข้าใจใดบ่ ถ้ายังฟังบอกเ ข, ข้าใจเข้าใจบัท่านใดก็ให้ถามอ่านะอย่าออกไปดูค้างบอกเข้าใจถามว่าพระเหตุทังสี่มันหมายความวิญญางไดว่าทังสี่เป็นหมายความวิญญาณใดนะเข้ากับธรรมยามทําความเข้าใจเพื่อยังเพื่อจะได้พููจักคุณคาสิ่งที่ทำมาเหเ็ุนี่ว่ามันมีคุณคาอย่างไดมีความหมายอย่างไดนะเพราะว่าถ้าเขาอยู่บ้านนี้เมืองนี้ถ้าบัได้เข้าใจ ในธรรมะค้ามสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เข้าใจทุกยากลําบากหลายพอปัญหามันหลายก็ บ, น า, บนานเฮาอยู่บ้านเฮานี่ยเข้าต่อสู่กับคนบอกขีลานหกสิบเจ็ดสล้านเมืองไทยเมืองเล่ากับขีลานใ่สมือนี่ก้อนยี่สิบล้านบะหล้านเนาะเฮาอยู่บ้านเฮาเนี่ยต่อสู่คนหกล้านไปเมื่ออยู่นี่ต่อสู300่คนสามรอยกว่าล้านาเกือบสี่ร้อยเนาะ แต่บบบบบโบมีในสมุนโข้ยต่างหากเนสมุนโข้ยเนี่ยสามโลกะสามรอยล้านนี่นะโบมีในสมุนโเป็นเท่าพวันเนีบ้านเฮาโคเกลานะ่ะอายุสบายกินสบายแต่ว่าเฮามีจําเป็นมีอันตองพันภาคจากมาอย่างสี่เฮาต้องมาต่อยสู่ก็คนสองสรอยล้านมันหนักหนาสโหุเด้่ยเฮาเข้มแข็งกันดีๆด้านนั้นเฮาจําเป็นต้องมีร่างกายเข้มแข็งจิตใจที่เข้มแข็ง ก็คือต้องได้มาศึกษาถึงสองส่วนโดยเฉพาะยิ่งยิ่งการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนที่หลวงพ่อมานําเสนอเนี่ยพัฒนาทางด้านร่างกายและชีเจตที่หมายความ่ามีการออกกําลังกายไปนําออกกําลังกายก็ออกออกกาลังใจก็ออกออกกําลังกายก็คือการออกซิซไซท์ทุกเศร้าแต่าาแเนี่ยมาแลกในบุดันผาเห็ดประวัติหลายคนที่บัท่านพ่อทุกเศร้าก็ได้ผ้าเห็ด เพื่อให้มีร่างกายเข้มแข็งแล้วก็เฮ้าการที่จะต้องเจ็บใครใดป่วยบาดดีเมืองนี่ราคาแห่งแพงหลยลวงพ่อห่งยานว่ามไม่ขาดต้องระวังแท้ระวังเรื่องสุขภาพบ่มีอินชูรันบ่มีไม่ดีแค่บ่มีสิ่องอืง่นๆก็ยากเจ็บป่วยระบดใค่ารักษาบ่มีกาดูแลต้องดูแลเจ้าของเองนะโดยเฉพาะคนที่ยังบดการได้งานกับ่มี อีชวลันต่างๆมาดูแลก็ยากดังนั้นเขาต้องเอาธรรมะคําสั่งสอนของผู้ได้เจ้านี่เข้ามาเป็นที่เพึงโดยการตั้งใจปฏิบัตินะดังนั้นเทียวนีหลวงพ่อก็เรียกว่าอาวิธีการอดเที่ยนมานำเสนอเพราะว่ามันเบิ่งแล้วมันง่ายต่อคนไม่บี่ยกแต่ถ้าเป็นคนสมัยก่อนนี่เข้าใ่วิธีการ หายใจนะอาณาปณสตินังรับตากํำนดร่มหายใจนี่มันยากหลวงพ่อก็เคยเหตุมาแล้วมันไปบวรอดเพราะว่าอินทรียเขามันยังหน่อยปัญญาเขามันหน่อยบอกคือหลายคือสมัยเก่าพุ่นแล้วเขามาใส่วิธีการวอรเทียนนี่ค้นปัญญาน่อยก็เหตุดาคนปัญญาหลายก็เหตดีอ่ามันเป็นวิธีการเหตุด้เรื่อยเรื่อยเราเหตุแล้วนําไปใส่ได้เลยบูฮาต่ว่ า, วาจะต้องไปเลือกทินเลือกที่เลือก การเลือกสถานที่ไปเห็ดใดแต่ขอให้เข้าใจนะแล้ว <c oughs> นั้นผู้มาใหม่เนี่ยยังใดก็ต้องได้ฝึกฝนออกไปได้จําเทคนิคจําวิธีการออกไปไปนั่งเห็ดอยู่บ้านก็ได้มีเวลามาหนี่ก็มานั่งเห็ดอยู่นีก็ได้ยกมือยกไม้มเนี่ยเห็ดใดทุกแหง้งจะเพียงให้เข้าใจว่ายกมือเพื่อใดเดินโยงกลมเพื่ออย่าง ทำความขวัญใจเขายกมือเพื่อให้มั่นใจให้มันเป็นที่อยู่ของใจใจเขานี่มันบ่อยากอยู่ปันใดด้มันมีเรื่องคิดสารพัดเรื่องแต่ละคนมีหลายเรื่องอยู่ในหัวใจมันย่าออกไปแต่ทํามัยกมือก็ดีมาเดินจงกลมมาดีใจมันยังมีโอกาสได้กกลับเข้ามาใจนี่เหมือนเจ้าของบ้านร่างกายนี่เหมือนบ้านถ้าหากว่า เจ้าของบ้านเบายุบ้านนั้นเป็นยังไงพ่ อ, อถ้ามีบ้านมีทรัพย์สมบัติอยู่ในบ้านเขาเบายุบ้านเป็นยังไงขี้ทอดเลยขี้ทอดแล้วนะลมันบอกกับม้าเนี่ข้มวยขยจุนเอาไปเบิดพังเท้ามันบอกะอะเข้มวยหลักไปเมิ ด, ดบ้านเฮ้าคือกายเนี่ยมันเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติเก็บทรัพย์สมบัติหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าร่างกายเนี่ยเป็นตนทุนที่เกิดมาโดยบุญกุศลเด คนที่จะเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดนของง่ายๆด้วยต้องมีบุญกุศลหลายๆทีได้เกิดมาแต่เกิดมาแล้วถ้าหากว่าบุได้มาพบมาพอ่อธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนด่วบ่มีสิ่งรักษาบ่มีเทวดาคุ้มครองทรัพย์สมบัติในร่างกายเขานีก็จะอยู่บุได้การมีสุขภาพดีนะเนื่อมีสมบัติ ด, ดี <c oughs> มีสติ ป, ปัญญา ด, ดีก็มีสมบัติดีดันั้น บ้านคือเปรตเสมือนร่างกายเปรตเสมือนบ้านชิตใจในี่เปรตเสมือนเจ้าของบ้านถ้าหากว่าเฮาไม่มีวิธีรักษาใจกับอยู่กับกายนีย่เรียกว่าเฮารักษาจะรักษาสับไว บ, บดายพอใจนี่มันแอบไปเที่ยวไปข้างนอกอยู่เลยไปเที่ยวปุ่นเที่ยวพี่เพราะมันจะไปใส่มันก็ไปเลยเด้มันบดายคันิง่งขี้เคี้ยงบดายหยากเลยจิตแต่มันคิดออกไป ยูนี่คิดไปหอดปูนก็ะไดแป๊บไปเลยกระทีมบ้านไว้ทีมบ้านวันนี้ดังนั้นขม้มุยมันกับมรรคเอาของไปเวิดข้มุ่มยคืออย่างข้มุยก็คือกิเลสตัณหาคือราคาโทษซามโมหะนี่มันเป็นขม้มุยเด้มื่อขโมุยเอาศีลเขาออกไปข้มุยเอาสมาธิเขาออกไปขโมุยเอาปัญญาออกไป ถ้าหากวันในั่งกายนั่ใจเทานี้มันมีความโลภโกรธหลงอยู่ก็หมายว่าเขามีข้าม้วนอยู่ในบ้านขเขาก็เลยมาดึงเจ้าของบ้านเนี่ยขึ้ใจเนี่ยมาอยุกับบ้านพอใจอยู่กับาา ก, กายเนี่ยมันเจ้าของอยู่ในบ้านนี่ข้าม้วนมันบกกาเข่าเลยบกการเข้าไปรักของในบ้านถ้ากายรับใจอยู่นั่งกันนี่โลภโกรธหลงเนี่ยมันบกการเข้ามาก โรคโกโลงม่ไเข้ามาตอนไหนเข้ามาตอนที่ใจเข้าไปยูนะใจเข้าไปพุ่นไปเพ่เขาเอินว่าลืมหลงนะหลงบ้านลืมบ้านนี่หมายเข้ามากิเลศคือเขามุยเข้าไปเรียบร้อยแล้วโรคโกหลงเข้าไปเพราะฉะนั้นกรรมฐานหรือวิปัสสนาก็คือวิธีการดึงใจมาอยู่กายดึงเจ้าของบานมาอยู่กับบานกับเพื่อนเพื่อบ่งให้โรคโกหลงเนี่ยเข้ามาหลัก เอาศีลเอาสมาธิปัญญาที่เป็นสมบัติของอริยสัพย์ออกไปแต่ว่าถ้ากายกับใจยุทธน้ำกันเนี่ยสัพมันเกิดเด้อริยสัพ์มันเกิดเรื่อยๆย่ำใดกายกับใจบุญยุทธน้ำกันเนี่ข้ามุยเข้าโหลดขโมุ้ยคืออย่างความหลบความปวดความหลงมันเข้าข้าม้ยเอาไปขโมุยเอาเมตตากรุณามุทีตาวไปคาข้ามุ้ยเอาซัท่าความเพี้ยนไปมืดเหลือ ดังนั้นพระพุทธเจ้าเป็นหูรักอันนี้เพื่นก็เลยบอกว่ามาทําเนี่ยถ้าสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานเนี่ยเพื่อร่วมกายร่วมใจให้เป็นอันเดียวกันมาอยู่นั่งกันเท่าก็จะมีซัทบเกิดขึนองอริยรับมีศรัทธามีศีลมีเฮลิโอตาปะมีปหุสัจมีขันติเนี่ยมีความเพียรมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นเองมาเหตุง่ายๆหละเหตุที่เขาเหตุกันเนี่ยเดินโจกุมสร้างั่างว่า แต่ให้ขยันเฮ็ดเหมือนครับร ไ, ไปหาเงินนี่ยถ้าเขาบอกขยันหานี่มันก็บ่ิหารเงินเด้ไปหาเงินเนี่ยเขาต้องไปทํานูน่นทํำนี่ตามที่เป็นกำหนดไว้เขาต้องมีความหูมีความสามารถมีถูกจักการทั้างานเรื่องนั้นเขาไปเฮ็ดได้ได้เงินน่ะคือกันที่เขามายกมือเนี่ยคือเขามาเฮ็ดเวียดทํางานาทํางานให้ใจเนี่ยได้ทํางานาได้รับ สิ่งที่เขากาลังเหตุยกมือก็ดีสร้างใจว่านี่คือเป็นงานเอิ้นว่ากรรมาฐานเป็นที่ตั้งของการของงานกรรมาฐานนันมีหลายแบบสมร t กรรมาฐานนี่งานเพื่อให้จิตสงบเพื่อให้กายสงบมีปรสนากรรมาฐานนี่เพื่อให้ทํากายทําจิตให้มันสว่างให้มันสะอาดอามันมีสะอาดสว่างสงบสมร t กรรม สมรกรรมฐานเนี่ยทำให้กายทําให้ใจสงบแต่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทำให้กายทาให้ใจให้สว่างให้สะอาดนั่นเองดังนั้นเขาก็ตรงมาทําทั้งสองอย่างถ้าเขามาแก้ไขปัญหาทางกายเรียกว่าทําสมร t h ถ้าไปแก้ปัญหาทางด้านจิตใจก็เรียกทําทวิปัสสนาเพราะร่างกายจิตใจในมีปัญหาตลอดเวลาปัญหาอย่างได เขานั่งอยู่นี่เขาก็ปวดขาปวดแข้งเน็บยิ่นกินซ่ากินแข้งกินขาในปัญหานี่เขาก็ต้องขดัขยับขยือนเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อยังเพื่อบำบัดเอาความปวดความเมื่อยความบวสบายนี้ออกไปเนี่ยแต่ถ้าเขาบริฝึกบริฝนบรกษัวไว้นี่เขาก็นั่งทับนั่งเหงนั่งเต่งนั่งกดไยืนซะแล้วเน็บเล่นกินขาขินแข้งเขาก็บวชิกบวเพนบวปินว่าร่างกายมีปัญหากระดูรุชั่ จิตใจเขาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปคิดออดอดีตคิดอดอนาคตคิดอดนั่นอดดีเท่ากันเลยหักษาใจไว้บุได้มันก็คิดออกไปแต่พอเขาไมา่เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเนี้มันก็หักษาใจไว้ได้ร่างกายมีปัญหาก็คอยบำบัดแก้ไขออกไปจิตใจที่มันคิดออกไปนะมันเป็นปัญหาแล้วแต่ถ้าทำมันบวีปัญหามันบวคิดออกไป อย่างคนณนี่คุณที่อยู่ในบ้านเนี่ยบ่มีด้วยความเดือดร้อนแต่ออกนอกบ้านเรื่เดือดร้อนด้นยนายจะต้องไปเรชิ้ปัญหาเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวหลุดความหลุดซุ่นเดี๋ยวมีปัญหาอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยต้องไปด้วยความระมัดระวังแต่จําเป็นต้องไปแต่ถ้าไปด้วยความปลอดภัยมีเครื่องมือมีเครื่องป้องกันตัวเวลาไปทําการทํางานเนี่ยไปจะได้ไปด้วยความบร ปลอดภัยไปแล้วโบมีเครื่องป้องกันตัวโบมีแสงสวาง่างโบมี่สิ่งป้องกันตัวนออกไปอันตรายใจเขาคือกันโบเมนว่าเขาโบาคิดเด้เขาออกจากกายได้แต่ให้มีแสงสว่างให้มีอาวุธให้มีดวงตาเขาจะเดินไปไซเนี่ยเขาจะลุกไปไสเนี่ยเขาจะต้องรู้จักว่าเขาจะไปยังใดดังนั้นเขาจะต้องมีสองอย่างหนึ่งจะไปไสนึต้องมีดวงตา สองบุ๋มีแสงสว่างแต่ถ้าเขาไ่ได้ฝึกบม่ได้ฝึกจิตฝึกใจเนี่ยเขาเหมือนคนตาบอดเด้ไปใส่เขาก็ทับตาไปนะหรือคนตาดีอยู่แต่ว่าไปใส่บุ๋มีแสงสว่างไปเนี่ยมือคลืนหนึ่งสินะแกอันตรายอ่าดังนั้นการที่เขามาฝึกจิตฝึกใจฝึกกายฝึกใจนี่เพื่อเขาได้สองอย่างหนึ่งก็ไดดวงตาดวงตาในเด้ อสองให้ได้แสงสว่างก็คือแดดปัญญาดังในมือเอาเบาไปมือก่อนว่าสติคือตาในสตินี่คือดวงตาปัญญาคือแสงสว่างเส้นทางคือสมาธิเพราะนั้นเขาฝึกถึงสติสมาธิปัญญาเขาได้ถึงดวงตาได้ถึงแสงสว่างได้ถึงทางเดินเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เท่าจําเป็นต้องคิดแต่เป็นอยังเท่าคนส่วนใหญ่บางบท่านเห็นความสําคัญก็เพราะว่า ยังบทท่นได้ยินได้ฟังยังบทท่านเข้าใจนะนั่นการได้มาที่วัดว่าที่เขาได้สร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะหยากเป็นได้เขาก็เหตุพ่อะอย่างเพราะว่ามันเป็นสถานที่เดียวที่มูเขามาพ่อกัอนได้นะแต่ว่าถ้าเขาไม่มีบุญกุศลได้เหตุได้สร้างไว้แน่นี่มันก็บรโมนเข้ามาง่ายๆเด้มันบ่มีจิตมีใจบ่มีเหลื่อมใส่สัทธาบ่มีผู้น้มาม้ามันก็เข้ามาบา่ได เพราะนั้นในช่วงที่วัดเขามีอยู่นี่เนี่ยเวลาเขาว่างมันเสาอาทิตย์บ่หรือว่าอาทิตย์ใดที่เขาว่างเขาก็เข้ามาร่วมตัวกันเข้ามาสร้ อ, อยกันสร้างกุศลไม่สรอยพระเฮ็ดเวียกบ่ไม่สอยกันสร้างกันแปลงมันต้องการแรงงานหลายเลยนอะเขาเขาที่เขาเห็นเนี่ยที่มันยังบกยังเฮียต้องการก่อสร้างมั่งแปลงต้องการจัดระเบียบต่างๆ ถ้าหากว่าเห้าอาศัยแต่พระยุวัตก็บวไหวยอาศัยยมมาอาศั ย, ยอยู่ก็บวไวยต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วสมัครกันเข้ามาซอยกันบริษันแล้วเขาก็นักผู้เดียวนักายที่หาเงินหาท่องเหตุนี้ก็ได้จ้างเขาเมิดยังเสียมบไว้เด้นเข า, าก็อย่าบ่มีความหักแต่เขามาซอยกันเาซื้อความ เป็นว่าเออมันเป็นเขตเป็นแดนที่เขาได้สร้างสาลรวมกันแล้วเขาจะหุ้จักหักห่วงแหนถ้าบอมาซอยกันยังสั้นในแ่นดินตอนน้อยๆเดี๋ยวคนอยากได้หลายเลยเดี๋ยวคนเกาหลีมากเดี๋ยวคนญี่ปุ่นมากเดี๋ยวคนจีนมาก เ, เ, เดี๋ยวคนอเมริกามากนี่หยาดกันละเป็นบอ่อระถ้าเขาไปซอยกันเข้มแข็งเด้เมื่อเป็นธรรมดาเนี่มีอยู่ทุกบอลเลยนะ แม่เขาได้สร้างเปลแปลงอย่างนี้เถอะเขาโบเข้มแข็งผู้ดีว่าเขามีย่มยั่อมปรารถนาเป็นคนเข้มแข็งดินล้นซนสู่ทุกอย่างเพื่อให้ดินแดนดินดอนต้นหญ้านิ่งมากเพื่อให้ได้ที่ดินในการก่อกันสร้างนิ่มากนี่โบแ ม, น ธ, มนธรรมดาเดี๋ยว่บมีบุญวัสนาบบ ม, มีปัญญาปันญานเหตุโบได้แต่ละมูอเข้ากับโบได้เหตุนาทีย่าน่ะคนจะเป็นกำลังมาสร้อยกันพัฒนาในวิธีการต่างๆนี่นะ นั่นหลวงพ่อก็ยังยังเป็นห่วงอยู่ว่าถ้าบอดได้รับการร่วมไม่ร่วมมือจากมูลญาติพี่น้องลูกหลานเขาเนี่ยเขามาซอยมัส่วนกันดีๆเนี่ยมันจะไปใดบอลเี่ยลำพังได้พาดไดยุ้มในวันมันบอดได้ได้เป็นบอลละมันต้องต่อสู้อีกหลายอย่างนั้นนั่นต้องยังนไยต้องใดกําลังใจผู้ใดมีลูกก็ส้วนลูกมาผู้ใดมีหลานก็ส้วนหลานมากผู้ใดมีพี่พี่น้องก็ส้วนกันมากซอยซอยวัดว่าอาล่ามงเฮา ให้มันเกิดขึ้นซ่วยกันมาปกประหลักษาให้เป็นกำลังยัาน้อยเวลาเขาเห็นเขาคนทั้งโลกเห็นเฮาเห็นเฮาลวมคุมร้มก่อนเฮ็ดกิจกรรมนั้นเป็นเรื erm ่องเป็นเล่าแข็งแรงขยาเจวมากกล่าวมากบังเบียดละเมินเวละาขย่าวตรงย่านแน่น่ะแต่เห็นเฮาอยู่กันมายอมไม่ยอมสิขย่าวก็มาบังเบียดออกไปเฮาไปสู้เขาบ่ได้ละเมินเวละดังนั้นน้ำมาก็ยังห่วงอยู่ว่าจังแม่ท่านว่าพญายิ่เสื่อมสักอย่าง หนีไปอยู่แผ่นดินใหญ่นี่หลงพ่อยังห่วงเยอะอยู่น้ำกันหนีสบายยังไงได้สร้อยกันพัฒนาอยู่นี่จะได้มีคนเป็นตีนเป็นมือซอยกันนั่นเวละดังนั้นหุวงพ่อก็ว่าต้องต้องการคนมีความห่วงความสามารถยังพ่อใหญ่เฉลิมสักนี่งเป็นปากเป็นเสียงให้ดันไปสร้อยกันใดมึงจะไม่ใหญ่สมปทานนะก็สู้ผู้เดียวอยู่นี่มันป่วยได้มันเกิดเป็นยังไปนี่ก็ดินบนตจนนี่มันก็ป่วยได้ไหมยังไงได้เป็นป่ มันลุดมือเข้าไปนิ้วอยากลูกหลานเข้าในบ่มีบนไปเลยลนะวัดอยู่ในเมืองเรียกว่าตอบสนองในเรื่องของพิธีรีตอมันโบราณบริมาเลเรื่องการฝึกฝนเรื่องจีวิตเรื่องใจเพ่อปันไดแต่ถ้าเข้าพักษาสนามไวนีถึงแม่คูบาพปนอยุนีเป็นยังบ่มีเวลามาฝึกมาสอนเขาเต็มทีเพื่อให้เข้าไปยั่งหาโอกาสเอาคู่บาจาย์ทั้งอื่นมาช่วยกันบอเป็นสนามให้เป็นสถานีให้เพิ่มลุ่งนี่นะ ยังหลวงพ่อก็บม่ได้อยู่แถวนี้เดีหลวงพ่อก็อาศัยว่าบุญบารมีเดี๋ยวไม่จะได้มาสร้อยกันนะั่นนะก็เลยพานมาทั้งนี้นะนั่นก็อยากบอกให้ลูกให้หลานมูเฮ้าเนะีพี่น้องเฮ้านี่ยแย่ไปเห็นแย่าไปอย่าไปเห็นดะบโสําคัญแท้ๆบนนี้คือบนที่จะเป็นสืบทอดจิตวิ ญ, ญญาณของบรรพบุรุษของเฮ้ามูเฮ้าอันี้ลมนี้ถ่ายมาจากบรรพเฮาที่ต้องการมาเอ า, เอาสมาชิกเอา รู้อรร翰เข า, ามาตเติบใหญ่ทั้งพี่เพื่อจะได้ช่ยกันดูแลรักษ า, าศาสนาวัฒนธรรมมองเขาให้มันเติบกโต่อไปเรื่องวัฒนธรรมนี่สําคัญเพราะว่ามันหมายถึงกําลังทั้งใจด้ถ้าคนเขาวัฒนธรรมในใจเข้มแข็งเนี่ยมันมีกําลังใจในการต่อสู้ปัญหาโลกระสับ ต, ต่างๆมีกําลังใจในการต่อสู้โลกให้คดเจ็บต่างๆหลายคนในชีวิ ญ, ญา่านออนแอร์เรามันไม่มีกําลังใจ ที่จะอยู่ต่อไปนะเป็นโลกเล็ก ๆ, ๆน่อยกับเป็นหลายป่วยหน่อยกับป่วยหลายเพราะจิตใจบ่มีกําลังบ่มีกําลังจิตกําลังใจก็ลดเล่ตายไปไล่ป่วยไปโดยโบถึงเวลาบ่มีสาเหตุนะเพราะยังเออเราเป็นโลกทางวัต น, ธ, นธรรมคือจิตใจบ่มีที่เพิงที่ก่อที่เกี่ยวจะไปวัดว่าอาลัลลามหาพระสงฆ์ข่เจ้าในผ้าแนะนำทำผ้ากรรมาฐานบ่ผนก็นบอกใครมีเพผนกันบบ่มีเวลากันคุกบากอะไรไม่หมดเวล บอกโบรายคือบรนเทาได้เมืนบอกพอได้เพึ่บงานกันหนุ่ยแต่เข้อไปจะได้พิ่งไดเพิ่นกับบได้เข้าต้องไปศึกษาเอาวิธีแล้วปปฏิบัติอยู่กับบ้านทั้งนั้นหลวงพ่อว่าในสถานะของคนเล่าในอเมริกาเนี่เข้มแข็งกว่าคนไทยเด้คนไทยเนี่ยเข้ามาในอเมริกาในฐานะเป็นผู้ธํามหากินเลยพอแม่นพออุปยงลบให้แบบพุงเข้าเมืนโบราณเพราะนั้นเข้ามาในฐานะผู้อุปยงลบให้จะ ได้การรับรองสถานะจากรัฐบาลน่นดีกว่าเพือ่อจะให้ชิดให้เสียงให้สถานะดีกว่าให้ความมั่นคงหลักฐานเข้มแข็งกว่าน่ะไปเพราะฉะนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะเหตุอย่างไรมีรักมีแรงดีกว่าทั้งทั้งอื่นนะแต่ว่ามันก็บอแม่ตัวเขาสุ่มเดียวมันบอกมันบอเขาก็ต้องไปแข่งกับพวกจีนพวกเวียดพวกเขมิพวกเล่าพวกพม่านุน่งกันอีกหลายซุ่มเมืนบอเพอื่อจะ รุนดันไปกไปกันได้เนี่ยเพราะนั่นคือว่ารุนพอรุนแม่เขาต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายไปรุนลูกเต้องขึ้นมาต่อสู่ต่ออีกแต่มันขาดคนขาดคนประสานขาดคนร่วมในให้เกิดอันเดียวเขาก็เลยไปโดยเฉพาะพุทธศาสนาของเขากบบโแมันจะตั้งอยู่ได้แต่ยางเดียวเนี่ยมีาศาสนาอื่นมาดึงมาดูดมาแบ่งออาไปกระลายด้วยไงโดยเฉพาะมอมอนเนาะ โอ้ขยายนี่คงพอนั่งรอดข้ามไปเรื่เพื่อใจซับแม่นเคตของมอมอนเดวมวัดหนู น, นเออเป็นบอกแ้วเขามาดูแลคนเขาไปอีกสัําใดเป็นบ่ล่ะเออเนี่ยเป็นเป็นต่วงเดย์ดังนั้นกาอันนี้เขาใส่จิตวิญญาทุกรูปแบบเขาก็ต่อสู้เพื่อความอยู่ิธรรมของเขาคือกันก็ต่อสู้ดังนั้นเขาอยู่ด้วยความยากลําบากเมื่อเขาหูจักความลําบากจังซีแล้วเนี่ยเขาก็บกพรอยเหนิ่งนอนใจร่วมตัวกันเข้ามา แล้วกัผู้ที่คิดอ่านในเรื่องนี้สิก็ต้องซอยกันคิดโดยเฉพาะพ่อแมอ่พี่น้องผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้เคยเป็นพอบานสะพานเมืองมา ก, ก่อนเป็นผู้พาโลกมกนต้องเห็นไพ่นิสิร์แล้วนี่เนาะจะร่วมตัวกันมาผู้อาวุโสชุมร่มผู้สูงอายุนี่นะข้าพุทธเจ้ามีเพื่อเป็นรักให้ลูกหลานชมร่มผู้สูงอายุชุนะ่ม ร, ชมร่มลุมสาวบอ เป็นครับขึ้นมากชุมรมของพอบานชุมร้มพ่อแม่บ้านกับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมาซอยกันซัพพอร์ตซอยกันแต่เราคนจะมาออแกไนซ์ในกลุ่มเราเนี่ยก็จะต้องมีรักมีเกณฑ์พอสมควรเขาก็หายากดังนั้นมันจะเป็นต้องมีกันหลายๆส่วนจะไปเพิ่งได้คู่บ่าบดได้เลยคู่บ่ากับตัวงานหลายยัง อาด็อกเ์เฟเนี่ยคุณบุ๋มเนคนของเขาแต่คนก็รินร่นคนไขย้ยิงงจะคนของเขาเองเนาะซอยกันน่ยแล้วคนของเขาไปใส่หมดแล้ว <g ül> เออเขาก็จะเป็นงได้คิดได้เป็นว่าคนของเขาที่มีความมู่ความสามารถมีความประกาศจากแข็งกับมีหลายอยู่เป็นอยังคุณ บ, บุมไม่ซอยไม่ส่วนกันจริงๆนะเขาต้องคิดล่ะเรื่องมนี้นะด้านเรื่องนี้หลวงพ่อว่าฮอดว่าสถานะที่เขาอยู่เนี่ยเขาปฏิบัติธรรมพอพ ย, ย่งเพื่อส่งเสริมกําลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญาความสามารถ ให้มันปีเพิ่มขึ้นแต่โบแมนเขาจะมานาั่งรับมูรับตายเห็ดย่างเดียวเนีเขาต้องคิดต้องอ่านซอยกันอ่านอ้ยซอยกันไว้เห็ดยังไดให้กลุ่มให้มูให้ขณะของเขานะ่ยอยู่หลอดปลอดภัยเดี๋ยวามมีดักมีดสีพอสมควรโบแมนเขาจะเข้ามาอยู่อย่างคน้นใส่คนถ่านอย่างเดียวเขากันในฐานะเป็นมนุษย์คือกันแต่ว่าเขาต้องสร้างชีวิตทาง ม, มีคุณภาพเด็ดถึงเขจะได้รับรองบรร น, นั้นเขาสร้างมีคุณภาพหมายความว่ามี สถานะทางด้านจิตใจเข้มแข็งมีกำลังใจดีมีการศึกษาดีจะมีความเฉลียวฉลาดพอสมควรที่จะไปต่อสู้ลบต๊ะมือก็ขา้าวอ่าแน่นอนสถานที่เขาเนี่มันเป็นสนามอ่าได้สนามแล้วในการพัฒนาเมื่อเขาว่าได้ประเทศนหน่อยๆของเขาเราเม็นป่วยทางประเทศเขาสู้เขาได้มาสัมเนียดยไปเขาสู้รบได้มาสัมเนียเขาจะเหตุอย่างไดให้มันคงอยู่และขยาย ก, กว้างออกไปนี่ยมันจะเป็นพระกาชีที่ใหญ่หลวงนะ แล้วนั้นก็หลวงพ่อกับหูหข่าวเป็นในๆอยู่หลายข่าวแหะแต่ว่าเขายังบอกชัดเจนนะแต่อย่างที่ครูเขาพูดเน่ยมันจะต้องมีที่เขาจะต้องซอยกันระวังหลายด้านแต่อย่างใดก็ตามเขาบรมเนจะเป็นไฟตั้งรับอย่างเดียวนี่เขาต้องเป็นไฟลูกน้ำเด้ลูกน้อยเพะว่าเขาจะต้องตระหนักรู้ถึงปัญหาว่าหนาหนี้ทั้งปัญหาทั้งมูอกลุ่มพี่น้องคนเล่าขึืนอย่างปัญหาทั้ง ว, ว่าเริ่มเข้าขึ้นอย่างแล้วปัญหานี้เขาจะเป็นโซนซอยได้อย่างไดสิ่งหนึงน่งหนึ่งสิ่งสำคัญคือว่าความหากักความสามคัคคีถ้ า, าหากว่าเขาสร้างขึ้นใดตนมันแก้ปัญหาได้ทุกอย่างได้แต่ถ้าขาดความหากักความสามคัคคีแล้วนี้ปัญหาทั้งหลายนี่ปัญหาในน้อยมันก็เป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาใดเป็นบวละแต่ถ้าความหากักความสามคัคคีเกิดขึ้นปั๊บนี่ปัญหาใหญ่หลวงกลายเป็นปัญหาในน้อยใดแต่ได้ความหักความสามัคคีเกิดขึ้นยังได เขาต้องอาศัยผู้ที่คนรุ่นพอรุ่นแมงเขาเนี่ยต้องอว่าวต้องเป็นแบบอย่างกัเยวชนเขาอยู่บ้านอยู่เฮ่อนต้องเป็นแบบอย่างให้ได้เขามาวัดมาว่าก็ไป เ, เป็นคนหูผู้ดีมีความาเรียกว่าเมตตากรลลุ น, น่ามีปัญญาพร้อมอย่าลืมว่าเด็กหน่อยเขามา้าสู่วัฒนธรรมใหม่วัฒนธรรมตะวันตกแต่เขาเนี่เคยอยู่วัฒนธรรมทางตะวันออกของเขาเพราะนั้น ความแตกต่างอันนี้ไม่จะเกิดขึ้นช่องว่างตรงนี้ไม่จะเกิดขึ้นระว่างพ่อกับลูกพ่อแม่กับลูกก็บอากันบูรุษเรื่องแล้วอย่างนี้ต้องพ่อแม่กับไปคนละทางส่โอบ่ใดแล้วเพราะฉะนั้นเฮ้าจะต้องเอาตัวเชื่อมคือาศาสนาและวัฒนธรรมเชื่อมความเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นลูกเข้ากันยังเนีวแน่นนะนั่นคือหมายความว่าเด็กน้อยเฮ้าต้องให้ขงเขาเฮียนภาษาเฮ้าอย่าอย่าไปเที่ทิม ต้องเล่งเล่าให้เขาได้เฮี้ยนยังนวยกับซื้อความหมายกับรู้เรื่องเนี่ยแล้วก็ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องขอนขวายเขาวัดเข้าว่าเพื่อยังเพื่อจะได้สติปัญญามาสอนลูกสอนหลานสอนเจ้าของเราก็ต้องสอนลูกสอนหลานแต่เขาบอกเขาวัดเข้าว่าในความหูความฉลาดที่เกี่ยวกับาศาสนาเขาจะบอกเกิดได้มหนบอกอม่ไปกินเหล้าเข้าได้ครับได้บาไปเที่ยวที่ในส่วนดีนั้นไม่แห้งไปกันนะ ดังนั้นเขามีวัดวิวาสเพื่ออย่างเพื่อก่อสร้างทางสติปัญญาให้เกิดขึ้นธรรมะทางวัดคูบาปุนกระไดอบรมสั่งสอนในเรื่องศิลปวัฒนธรรมในเรื่องการศึกษาทางด้านาศาสนาทางด้านปริยัติและก็บางทวงบางที่ก็มีคูบาอาจารย์ทางด้านมีศัสนาผ่านมากเข้ากรได ป, ปฏิบัติปฏิบัติไปนํางี่นะีเข้ากระไดสติปัญญาแล้วการให้ท่านเนีย่ยไปคิดว่าเข้าใหญ่ใแต่วัตถุอย่างเดียวเด็ด มาวัดก็จะเอาแต่วัตถุมาถมวัดนี่มันบ่อยเด้มันบอกว่าพ้าสามวงในเข้าของเหลยวล้นพนประมาณเนี้ยังไรเฮ้ไปคิดท่านมันมีสามความท่านในสามแน่วหนึ่งวัตถุท่านสองอภัยท่านสธรรมทานได้บุญคือกันมดแต่ว่าวัตถุท่านนี่ได้สเอซนอภิยท่านหสนแต่ธรรมทานนี่ได้แดถึงรอย อันนี้สงต่างกันเลยเฮาได้มุ่งแต่ให้แต่วัตถุท่านวัตถุท่านจะต้องให้มันพอดีอถ้ามันเหลือหล่นพ้นประมาณหลายนะี่มันเป็นปัญหาเรื่องบริหารจัดการว่าเหตุยังไงบริหารยังไงมีได้ประโยชน์นี่ยบริเวณธรรมดาเนี่ ย, ย, ะ ย, ย, นนยจะให้วัตถุได้ประโยชน์ทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งที่เฮาค้วนที่ส่งเสริมคืออภัยท่านหมายความว่าเฮามาอยู่รวมกันเนี่ยมันจะต้องมีความบกเข้าใจกัน มีความคัดคองพิษพองป่องเทียงกันมีกันทุกเทียงกันเฮาจะต้องให้ท่านประกบการที่สองคือให้อภัยท่านขึ้นมาความว่าเข้าบ่อเอาโทษเมื่อถือสาหาความกันเกินไปนะมีอยังต้องให้อภัยกันนะพี่หูหนึ่งพี่หูสองน้องหูหนึงกับอกกันไปก็เตือนกันไปแล้วก็มีอยังพิษผาดขึ้นมาเวลาเขาทํางานรวมกันนี่ยต้องมีการเข้าใจบทลงกันเดสมันว่ล่ะก็ได้พิษได้เทียงกันก็ต้องให้อภัยกัน พกูกฝรังนี่เวลาเขาพี่เขาเถียงกันแล้วเขาก็ะแล้วเขาเจับมือกันคือเราเนี่ยบอกแต่คนบอนเท้าในพี่เถียงกันแล้วไปคุณระดับหรือคุณะ ท, าาะทา่างนี่เม่อไห้อาไไฟกันนี่ทั้งท่าที่เท้าเป็นเช่าพูดเท้าคา้นนี่ให้ท่านบอกเพนี่หลายที่สุดได้เป็นบก่ก<ด>คือให้อภัยาทานเมื่อให้อภัยาทานแล้วเราจะมีอยังเกิดขึ้นมาเมตตากรุณาต้องเขามากเมตตากรุณาต้องกัดอภัยาทานนี่ต้องให้หลายที่สุดเพราะยังเพราะว่ามันบมีจํากัดเพราะว่ามันเป็นนามธรรมแต่วัตถุท่านนี่จํากัดเด้ เเขาให้ไลยก็บาดายมันจํากัดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสถานที่เรื่องผู้หลับแต่อพิญฐานนี่ยโบจําจกัดสถา น, นีโบจําจกัดผู้หับเลยให้ไหลยแห่งดีให้ไลยแห่งดีดังนั้นทันทีสองเดอเวลาเข้ามาอยู่บัดเนี่ยไม่จะต้องมีการว่าการคุยบางคนอะเข้าใจบางคนไม่เข้าใจก็มีการคัดแย่งกันเทียงกันวิการว่ากันเนี่ยแต่เขาโบาให้ท่านประพิีสองเนี่เขากับโบสามาแด่สร้างความหลักความสามาัคคีได้ ความหับความสามัคคีจะเข้ ม, มแข็งได้ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันมีใจบอกเข้าใจกันก็ต้องอย่าถือสาหาความกันต้องทําความเข้าใจกันอยู่เสมอนี่ยสองเราให้อภัยท่านหลายๆนะความหลับความสามัคคีที่เกิดขึ้นประการที่สามต้องให้ธรรมทานให้ธรรมทานให้ได้สองสามอย่างหนึ่งให้ท่านโดยผละกําลังสองให้ท่านด้วยคําเตือนคําสอนสาม ให้ท่านโดยสละความกิเลสตันหาออกไปนี่คาว่าทำมาท่า น, นอ่าถ้าหากว่าเขาบ่มีทรัพย์บม่มีสินหรือว่ามีมีหน่อยเขาอยากจะทําบุญทําท่านนี่เขากระบาดตรงหาเงินหาทองไปซื้อของมาเขามาวัดเขาอาสารับอาสาเมาื่อซอยทําความสะอาดบ่เมื่ออยทัดเนี่ยบ่เมื่อซอยสร้างนั่นแปลงนี้บ่เมื่อซอยให้ท่านนี่ให้มีกําลังกว่าให้บะทุอีเด้ ให้กำลังเป็นทา่านดินดอนตอนอ้นเนี่ยบนใดที่มันบริึงเรียบรลอยรับอาศาว่าเท้าโบให้หกให้เหยเยบืง้งละเขาม้าเป็นแพรนเท้าก็ปลูกเนี่ปลูกต้นใหม่ปลูกดอกไหม่ปลูกอย่งเป็นแถวเป็นแนวง้ามเป็นบอกแทนที่จะมาล่อสั่งสิงทาวน์เอาผู้ใหญ่ตัวมโหลาน่นโอ้มันอาศัยทั้งเวลาเงื่นท่องหลวงหลาเม็นบอกแต่เขามา้าทําความสะอาดสถานที่ให้มันสะอาดซะก่อน คุ้มนี้่คุ้มนี่จัดแปลงนี่ปลูกดอกไม้นี่คุ้มนี้จัดแปลงนี่เฮ็ดสวนย้อมมะนี่ผู้นี่ผู้นี่ทํารับผิดชอบแบ่งกันร่อนออกไปเป็นส่วนเป็นส่วนนั่นบอระเท้าก็มาสร้างวัดแข่งกันสร้างความดีแข่งกันนี่ก็อเราให้กําลังเป็นท่าสามารถจะเห็นให้วัดเท้าสะอาดสะอานของอะไรเทียมนีกเหยียรเลาดโบเป็นที่เป็นท่าอาไปเก็บรุ่มกันไว้ที่นึงบนใดบนนี้เรียบร้อยเทาก็จัดแต่งกันไปวัดเท้าก็สะอาดสะอาดคนก็อยากเมาเอบึงมา่อเห็นนี่เป็นบอก เป็นที่ท่องเที่ยวเปนในตัวเขามีทีด่ดีที่สุดมเลมัอนเรามีภูเขามีน้ํำตกมีเขาด้เปียวเขาหลายน่ยไปด้านหน้าเป็นทะเล ด, ด้านหลังเป็นภูเขาอันว่าละง่ามหลายแต่มันขาดอยังขาดกําลังในการพัฒนาแล้วกําลังในการพัฒนาในเหตุยังไงเขาจะเอาเงินมาจ้างเขาเห็นมันบ่อยเลยมันเหมือนหาได้ยังไงเลยเนาะแต่กําลังการให้ท่านอีกประเภทหนึ่งให้กําลังเป็นท่านให้สติปัญญาเป็นท่าน เนี่ยมันจะสวยกันได้บวชอาเทวาจะต้องมาหลับจางหลับบายจะเอาคาจางแล้ววัดมดกับบทปรไว้ดีเนาะย่างนุ่ยรวมกันได้อาทิตย์นึงก็มาพัฒนาวัดกันสักกลุ่มนึงเมือนบราณคืออาทิตย์นี้เราจะเห็นอย่างซอยพัฒนาเนี่ยบอกซอยกันเมี่ยนของบอกซวยกันคลีนวัดบอกซวยกันเห็ดงานใดบางบางอย่างเนี่ยเขาไดสลกําลังกันบางย่างเขาบริได้จางคนได้งมืนบอกเขาสามารถได้เห็ดกันเองได้อย่างนี้นะ เวลาสมมุติว่าเอาเห็ดห้องน้ําเพศห้องสวมอย่างนี้หมอบนมเ 3, 000, 5, 000มื่อเห็ดสามพันห้พันเมื่อที่เขาซื้ออุปกรณ์แครบุถึงพันนี่นว่านอกนั้นเขาใส่กําลังอาสาจิตอาสาเมื่อจริงๆนะมันก็นนกนประหยัดนั่กันเพราะฉะนั้นกําลังความภาคความสามัคคีนี่มันเป็นคามหาศาลที่ประมาณบุได้แต่การที่สร้างเห็ดย่างไงมันต้องเริ่มด้วยการให้ท่านให้อภัยเป็นท่าน ก, ากันแรกสองให้กําลังเป็นท่านสาให้ ภูมิสติปัญญาดีมีประสบการณ์ชีวิตหลายกะเอาสติปัญญานั้นมาเป็นท่านโอแมนแต่ว่าต้งคนตังถือของมาถวัยผ้าดโอ้มันเป็นพระราได้นี่ยมันบอกอภาคมื้อเนื้อกินหน่อยเดียวหนึ่งบัดของได้เต็มวัดเต็มว่าก็เป็นพระรในการบริหารจัดการมันม้วเด้อเนี่ยผ้าอยู่ในวัดก็จะอ่อนแอเดบไม่มีเวลาพระปฏิบัติธรรมมีแต่บริหารจัดการเข่าของเต็มพ้นล้นวัดล้นว่าบดายไดายเฮาต้องคิดกันไหมหนึ่ง เขาก็มีการบทฝึกฝนว่าเหตุอย่างไรจะูงจักให้อภัยซึ่งกันและกันเขาก็นี่มุนภาคที่เปินมีความผู้ความสามารถมาเทรดให้หลูกหลานเอาฟังว่าอันนี้สงของการให้ท่านเป็นอย่างไรดีนะบางที่คูบ่ายยืนนี่หยาดยมีอาจจะมีความมู้ความสามารถทั้งนี้ที่นี่พระสงฆ์พระเจ้าที่เปิลมาแแบมาแวรเคียวก้อนเี่เบื่อเดินเวอรละเดี๋ยวมาจากมืองไทเดี๋ยวมาจากมืงเลาเดี๋ยวมาจากเวียดนามเดี๋ยวมาจากจีนเขาก็ค่อยสอด่องเบอร์ว่าผู้ใดมาทางใด พนมีฟีปากมีค่าร่มดีกันนี่มุ่นทุนมากแลก้วก็เซิร์นชวนญาติพี่น้องเข้า่าเออเดือนนี้ปีนี้เดือน อ, อาทิตย์นี้เด้อคูบานัู่เมืองเป็ประเทศทุกเดือนเขาต้องมีกิจกรรมในการฟังธรรมหรือว่าทุกครั้งเขาค่อยสดับตับฟังว่าคูบาอาจารย์มิจากเมืองไทยเมืองลาวเมืองพา ม, าม่าเมืองเขมรพูดที่พ่นมีอ่าสติปัญญาในการอบรมเป็นเวลาเฮาหูเฮาก็นนี่มุ่นมาวัดเฮ้า เออผู้จ้าว่าเอออาทิตย์หน้าพุ่นนางพุ่นีจ่จะมาเดอ้อแล้วพุ่นมีความหูความสามารถใดนนี้เทากับส่งข่าวให้พี่น้องเทาเขาอยังมานังา่งวอลนั่งล้มเระกันให้เกิดข้ออภัยความผิดสมรูในกุมเขาเ น, นาี่มันยากเด้มหนบอกมีคนเดียวหูจักกันมันมันบเกิดแห้งบันดาลใจแต่ถ้าผููที่เพุ่นมีความหูความสามารถในด้านนี้พุ่นมีเทคนิคเพุ่นมีวิธีการในการจะปุ๊กเปล่าเหล่าล้มให้ค้นเขาในตมห้มกันใดไงอันนี้คือเทคนิคกันหนึนงน่งเด็ดแต่เหตุนใด น, นะ แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องของเข้าคนจะมีสายหมูสายตาป น, นั่นบ่อคอยซอยกันโดยเฉพาะพอบานแซมันเมืองมีประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์มา่หลายนี่เจ้วผ้าพื้นมาเที่ยวมาอยามันนี่แตาหากพื้นได้มาทำหน้าที่ควรทุก น, นแห่งดีใจเห่นหมดละเวลาพื้นมาล้มมากราบไหว้พื้นไว้คิดว่า ค, ค, ค, ค, ค, คิดคิดหอดบ้านของเขาก่อนน่ะเพราะเขาก็เป็นมนวลเป็นที่ร่วมของนักปา่าอาจารย์อนาคตผู้ใดมากก็นด้มุ่นมาพื้นมาบอกมาเทศให้มือเขาฟัง คนเกนดยุคฮูยจ้าเข้าได้ลยปะเดียนี้แล้วต่อไปมันก็มีคอนเนคชัซึ่งกันและกันเมื่อพอมาพบกันอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เขาจะสร้างสาเรื่องการปฏิบัติในส่วนระดับขั้นพื้นฐานเขาต้องมีนะแต่ว่าในการคิดการทำานึ่งสี่มันจะมี power มีพลังใดเขาจะต้องมีพลังการจิตใจสิก่อนพลังจิตใจในี่เขาได้ยังไงคือได้จากการทกากรรมฐาน นั่นเวลามาปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อถึงบอกอยากให้ม่นั่งเวลานั่งคุยกันในย่ามเวลาปฏิบัติมันั่งปฏิบัติกันอิลิมันบอกเข้าใจมืัอนี่ก็เหตุไปก่อนนะเหตุไปเหตุไปเรื่อยอย่ามูหลวงพ่อก็เห็นมาถึงสี่แล้วแมันั่งยกมือยังสั่งจะว่าเดินจะกมยื่นเสียละเอาอย่าเฝ้าไปคิดเอาไว้ใหญ่หัวน่นอยู่บนต่อมเขากินเข่าเนี่ยมันบวมออิ่มเดี๋ยวแหลกเลยมันบวมมันก็บอกมันไปอิ่มคําสุดท้ายเด้ มันอิ่มอยู่สุข้ำ ม, มันอิ่มทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยไปแล้วเขายกคือกัอนเอยกไปบาทหนึ่งเมื่อก็อิ่มไปบาทหนึ่งยกสองบาดยกลอยเถื่อพันเถื่อมื่ก็อิมอ่มไปอิ่มไปอิ่มไปนั่นความหูความสามารถบุญเป็นว่ามาเหตุข้าวเดียวไม่จีได้นันก็ค่อยได้ไปอต้นไม้เขาปลูกบุญเป็นใบใหญ่เมื่อเดียวเด้หาปีเจ็ดปีมึงให้ใหญ่การปฏิบัติกรรมฐ า, านคือเหตุชั่มือ่อถ้าเหตุถามว่าเหตุอย่างบุต้องหาเหตุผล ถ้าเขาอยากถามเขาว่าเขาหายใจเพื่ออย่างนี้เขาใ ห, าห้ผลได้วะเจ้าหายใจมาดุลแล้วซึ่งมเศ้าซะดีนนะมันบอกได้เลย ม, มันไม่เหตุผลเลยนะ้ันี้มือนธรรมชาตินะทำมากขึ้อกันนะเออทำมากขึ้ น, นนะ ม, ม่เหตุเนยอย่าไปเฝ้าอธิบายเหตุผลว่าเพื่ออย่างนู้นต้องใ ห, ห้เหตุผลเจ้าเหตุไปเออเราถามว่าจเจ้ากินข้าวเพื่ออย่างกับใ ห, ห้เหตุผลอะไรมีหน้าที่กินกินไปก็เลิกกันนะสิู่ดยักเองว่าบทกินข้าวเป็นอย่งไรนะนั่นนั่นเรื่องวันนี้เข้าต้อง พยายามทําความเข้าใจเลยถ้าหากเข้าใจนั่นสิมันเด็ดอีกจักหน่อยเขาก็จะอ่าร่วมตัวเข้ามาอ่าคุใหญยชมรมผู้สูงอายุบ่ชุมรมเด็กหน่อยนุ่มคนนุ่มบ่ชุมรมเด็กน่อยนุ่มสาวบ่ชุมรมพอบ้านชมร้มแม่บ้านเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกันไปแต่เขาต้องมีกิจกรรมกิจกรรมยังกิจกรรมก็คือว่าเนี่ย อ, อาทิตย์หนึ่งเดือนละขั้นหรือ ว, ว่าอาทิตย์ละขั้งนิมุ่น ผู้บาอาจารย์นักปัดอาจารย์ผู้ที่เป็นมีควา ม, มูความสามารถในการบอกเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะการที่มุ่นผลมากอะ่ะส่วนมุฮัมมัดฟังกันฟังแล้วเขาจะเห็นอย่างไรมันเดีอเป็นการสร้างกำลังใจสร้างีางปัญญาสรีปัญญาอัลบอพฮอต้องหาแรงเงินมากอย่สูวเ่เขาจะสร้างบาัณฑแต่เงนินทั้บอพฮอตนี่เขาจะไปกูท้ทางอื่นมากม่หมลนะไม่มได้สร้างใดด้ืยกันนะเขาจะสร้างสาข้นนับว่าอัลลมของเขาเนี่ยสรีปัญญากำลังของอัเบอพฮอตต้องไปหาแรงเงินมากได้นะ นั่นเองค่ะซอยกันคิดดังนั้นการเปิดอบรมครั้งนี้มีความหมายมีความหมายอย่างไรมีความหมายมาสร้างปุ่นบา ร, รมีห่วมกันมาสร้างกำลังคิดกำลังใจห่วมกันเมื่อเฮ็ดยังถึกตรองแล้วนี่มันแต่คนต่างค์จะซอยกันคิดไปเองความหักความเข้าใจมันค่อยๆเกิดขึ้นเองแต่ว่ามันนั่งเฮ็ดต้องกันซมือเสมือนเนี่ยมันต้องเกิดแต่มันเป็นนมามธรรมมันบริเห็นว่าเป็น เื่อนป็นท่อมมับ่ละมันเป็นน้ำมาทามันค่อยเติบโตไปแต่ขอให้มีความตั้งใจมีความจริงใจในการเห็ดนะดังนั้นเวลามูหลวงพ่อพาเห็ดมูหพอไปใส่ซุนทงปุ่นเพื่อนะเพื่อนแต่ความสังงัดวิเวกแต่ว่าแน่ไม่กลาถึงแม้ว่าแผ่นดินแผ่นดอนเขาเจ้กว้างขวางกรตามแต่ความสงบสังงัดก็บมมีคือบรรเทาได้มหนบ่ละข้างบนก็มีแต่เสียงเครื่องบินรอบข้างมีแต่เสียงสารวัตนะ มันเกี่ยวความสงับมันก็หน่อยพอะอย่างเขาบอเห็นคุ้ค่ายกับความสงบสงัดเดชคุณชาวตะวันตกเน่ยแต่บัณฑเขาเนี่แห่งมิตรแห่งดีแห่งแห่งสงบแห่งดีเพราะจิตใจที่มันสงบแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดสติปัญญาใดไงสถานที่ถ้ามันสงบสงบแล้วมันเห็นเป็นเหตุให้เกิดสติสมถิปัญญาใดไงแต่ว่าธรรมเนียมทางบัณฑิตเนี่ยเขาบรได้คิดถึงเรื่องบรนันเขาบอเห็นคุณค่าของความสงบ แ่ลกฎหมายแต่ละหลักแต่ละนั่นบูคือกันดังนั้นเขาก็จําเป็นต้องซอยกันเอาซอยกันโปกปักรักษาสถานที่แต่ยังยังสนามยิงปืนเี่ยถ้าเป็นทั้งแผ่นดินใหญ่เนี่กับโบยเฮตเปนี่ได้เมืนบ่กอันนี้กับไก่บานใกล่ชุมชนนี่เขาโบยเฮตแต่วันนี้เฮตได้อันนี้ก็กฎหมายบูคือกันได้เหมือนบอกดัะนั้นอันนี้ก็คือกันเขาก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์บางอย่างเนี่ยเขาบริสามารถจัดการอย่างไดแต่เขาก็มาจัดการเรื่องใจเขา ถ้าใจเขาสงบแล้วเนี่ยเหตุการณ์อย่างต่างๆมันจะหายแห้งบันไดกับแต้มมันจะบริสงงบนไหนเข้าไปสบายแต่สําหรับผู้นุ่งผู้น่อยผู้ที่ยังสติปัญญาบนท่านถึงผู้ยังพูมิท่อมบนท่นมีเนี่ยมันจะทําใจยากกับเหตุการณ์ต่างๆนะดังนั้นมีทั้งเดียวเข้าก็จะต้องมาฝึกฝนกอ่อนอย่างที่หลวงพ่อพระเตุมณีผู้นุน่งผู้น่อยเข้ามาขอปฏิบัติเออปฏิลูกหลานเข้าไปซอยกันไป อผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็เป็นรักเป็นฐานเป็นกำลังใจให้นะแม้ว่าอยูหลายแล้วก็ตามถือว่าเป็นแบบอย่างอ่เอาเข้าปฏิบัติไปแล้วเข้าไปอยู่ในบ้านในเรือนก็นเป็นแบบอย่างให้เขาสงบเรียกว่าบอกให้เขารู้ว่าวิธีการนะสําหรับผู้เฒ่าเน่ะบอกให้เขารู้อยู่ให้เขาเห็นถ้าให้เขาเป็นอ่า แล้วก็เย็นให้คอยสัมผัสบอกให้รู้อยู่ให้เห็นทําให้เป็นเย็นให้สัมผัสมันว่าอันนี้วิธีการบอกให้เขารู้ไหมเขาว่าอะไดถืออะไดพิษอะไรความจริงบวกจริงกะมันบอกเอาบอกก้า บ, บนในทางกันนี่มันว่าบนในจมเนี่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้บอกในเขาบนเนี่ยเขาจมเอานี่ <laughs> ถ้าเขาจมเขาบนนี่เล็กน้อยบ่มากเลมกน่เอยแต่เขาบอกโดยเรซตโดยโดยเมตตาโดยปัญญาเนี่เด็กน้อยเขาก็มีเหตุผลเนี่ แต่ส่วนใหญ่ก็เฮฮากันปนจมมโลนะโอ้ยยังชนยังสี่คำสอนดีๆมันกลายเป็นคำบดีไปไซะเขาตั้งเจตแต่หน้าดีแต่เขาเห็นบุปผิญเพราะยังเพราะเขาบ่ได้มาวัดมาว่าบ่ได้ฝึกฝนดัานที่ใจที่ใจมันก็นมุดมัดนั่นบลาเห็นเล็กน้อยเห็นยังบุถึงบุตรทีมนี่งที่ใจก็บบ่บ่ดีแต่ถ้ามาฝึกมืฝนนั่นเกิดความอดทนเกิดความใจเย็นขึ้นมากคอยบอกค่อยจ่าคอยใส่สติปัญญาคอยบอกคอยสอนเล็ก น, น้อยมันนี่เลยบอกให้ลูกนะถ้าให้ดู บางสิบางอย่างเด็ดน้อยเห็ดโบปินเขาต้องทำให้เบิง้งเห็ดให้เบิงเบ้งเห็ดความสะอาดบานเห็ดอย่างไดหุ่หงเขาเตาไฟไปไหนสักผ้าสักพอดเหดอย่างทำความในบ้านให้มันมีความระเบียบรียบร้อยเห็ดให้เขาเบิงเขาเห็ดเขาเบิงซุมือซมมือามาเรื่องนี้มามักคนจีนนะขนจีนนี่เวลาเขาทำมาขา่าขายในลูกเขานี่แต่ตอง้เห็นต้องกันเด้เขาเบิงมันจะได้เก็บลูไว้ทางหากเด้ ต้องไป้าดให้คขายน้ำกันโดยทํามะหากินน้ากันเขาได้สอนลูกก็ให้โตฉะนั้นเข้าคือกันเข้าธรรมะหากินอย่างเดียให้เด็กหน่อยมันได้หุ่จักได้เล่นลูกเป็นน้ำนะบอกให้ดูทํำให้ดูอยู่ให้เห็นอยู่ให้เห็นเลยเว่าเข้าตองโบเกเล่ตองบบกินเหล่าโมชูลาหรือว่าเป็นคนเรียกว่า <c oughs> บบเรียบร้อยนะเราต้องอยู่เห็นว่าเป็นคนที่มีศีลมีธรรมนะพอสมควร เย็นให้สัมผัสบางครั้งเด็กน้อยเขาบูว่ามเขาวุนไหวมากเขาก็เย็นไว้ก่อนเฮ้ยอย่าฟอไปอจุ่มไปวา่าไปดาไปตีเขาบ่ได้เฮ้ยอย่าร้องเย็นให้เบิง้งอันนี้วิธีการบอกให้รู้ทาให้ดูอยู่ให้เห็นทําให้เป็นเย็นให้สัมผัสนะอันนี้เขาก็จะได้เด็กน้อยได้ซอยได้ส่วนงานบ้านกันเงินเท่านะดังนั้นมุนีเป็นมือเปิดเนาะหลวงพ่อเอาเรื่องนี้มาวา่าเพื่อยัง เพื่ออยากจะให้พ่อเมีินองได้เห็นความสำคัญของสถานทีได้เห็นความสำคัญของการให้ให้ท่านให้วัตถุท่านให้อภัยท่านให้ธรรมท่านมีความสำคัญอย่างไรเขาเคยคุ้นแต่ให้วัตถุท่านแต่เขาลืมให้อภัยทานลืมให้ธรรมท่านธรรมทานกัแบงว่าเป็นให้กำลังกายเป็นท่านให้กำลังใจเป็นท่าน กำลังสติปัญญาเป็นท่านให้กิเลสเป็นท่านออกไปนะเรียกว่าธรรมท่านแล้วเฮาก็จะพัฒนาวัดว่าร่เพระในเรียวแล้วก็สามารถร่วมกลุ่มก่อนอคนคนเผาของเฮาคนกลุ่มของเฮาเนี่ได้เป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้เขาจะอยู่ชุกสบายแล้วกับลูกหลานของเฮาที่เกิดใหญ่ไปให้หน้าเนี่ยมันก็จะได้มีหลกักมีฐาน พอคุณมูเฮาพอแม่มูเฮาเนี่ยได้สร้างไว้เขาจะได้ไม่สืบเพราะต่อยอดไปนะดังนั้นสถานนี้มึงเนี่ยควรจะเป็นสถานที่ร่วมคนลเล่าเฮาในกาะฮาวายนีย่แต่ว่าเหตุยังไงถึงจะร่วมได้ลาพังใดกำลังผ่ากําลังโน้มอยู่วัดเทนีบนบุพเพอต้องใดดึงคนมว่นชนเข้ามาเนี่ยหลายกลุ่มหลายก่อนช่วยกันจะเหตุซ่าก็ไ่ได้เพราะยัง พอศาสนาอื่นเนี่เขาไปถึงบ้านเขานอกประตูซึ่งเมื่อเอบนะหมู่เฮามานั่งรอนอนรออยู่วัดหรือเข า, ม า, มาบอกว่าวันนี้เป็นบันอะหลวงพ่อก็เลยว่าไอหมู่เฮานี่ยมาปฏิบัติกับยุวัดให้ชำนิชำน้านเด้อคือไปหอดบานอญาติพี่น้องเขาหลุดหมดหรอผู้ใดมีพี่พี่น้องบอ้ไบอกกันมามาศึกษามาปฏิบัติทุกันมันต้องเหตุขนาดนั้นนะเอเอเลยว่าไฟลูกศาสนาอื่นเขาก็าต้องการลุกขยายมอม่อนขยายไปขยายมามันจะทั่วไม่กาแล้เดี๋วนี้ แต่แ ล, ละหลักเม่อเมืงองยุท่าทั้งเมืองเม่อเมื่นเรื่อวันนี้เป็นบวลาเกาะห้าไว้ม่ไปเครืองเลยได้ปันนี้ก็เป็นจักรยานเด้เพราะนั้ น, ข น, นเข า, ารรทราบว่าใดได้ในการในการยุทพัฒนาที่ใจห้องแต่อย่งใดก็ตามห้องวดาไปสู้รบต้มเมื่อเขาดอกเพียงแต่ว่าเห้อย่างไดในกลุ่มในมวงเขาเนี่ยให้มีการหู่จักกันหลายที่สุดได้ทราบข้อมูลว่าครอบครัวคนล่าเขาอยู่ในกาะห้าไว้ในประํากว่าสามพันสี่พันครอบครัวเป็นเวลา 3,000 นสีพันครอบครัวยังน้อยดีชุดมากทางนี้สักพันครอบครัวเรือหา่อยก็ยังดีนะดิ่นเนือเน่อๆ น, นะแล้วพัฒนาได้เต็มที่จริงสนะเอาก็มีโอกาสเตีย ม, มีแผ่นดินยืนมีที่ยืนนะให้มีที่ยืนได้นะถ้าบระเทศจริงๆต่อไปเขาบมีที่ยืนได้เหมือนบอกผูนน้นมาดเอาไปผู้ไม่แย่งเอาไปลูกหลานเาไปซานซานเดินไปทั่วลวนนีพ้พอเม่ บ่ได้เหตบ่ได้ส ร, าร้างบ่ได้รวบรวมเอาไวน้นี่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นตะคิดเรื่องนี้แน่แต่การที่คิดเรื่องนี้เร็จผมยัที่คิดซื่อๆเด้ต้องเหตลงไปเหตอย่างไรก็เหตกรรมฐานนี่แหะเพราะกรรมฐานนั้นเป็นที่รวบความกำลังของเทวดาอินพุฒยมรุรัตร่วมอยู่ในกรรมฐานวัดถ้ามีกรรมฐานอยู่ในใจในอย่างเหตอย่างนี้มันมี ก, รรมกมนะําลังกุมัวนะกำลังของเทวดาอินพมุมยมุรัตร่วมอยู่ในจิตของเขา คิดเนี่เป็นสิ่งที่ร่วมสิ่งพระลังสิ่งนีซักซิดทั้งหลายในโลกถ้าเราพัฒนาดีแล้วนะเห็ุอย่างสาเร็จมั้งพูดว่าเออเหตุไปเดี๋ยวเทวดาซอยเออเหุไปพระอินทรม่ซอยเออเตุไปอ่าพระพุพระอินทร์มั่ยซอยก็หาออมายถึงชิตของเขาที่มีพลังนั่นแหละมยซอยเออกาลังใจไงบแมนโดยพฮมาจากฝ่ามั่ซอยดอกแต่ว่าสิ่งใดที่มันมน่เป็นไปใดฮาวอลมั น, นเป็นไปได สิ่งในบนน่าจะเห็นได้เขาเห็นแล้วมันเป็นไปได้สิ่งนั้นเนี่ยกำลังของซักซีทีทั้งอื่นเป็นมาซอยแล้วแต่นั้นเขาจะต้องมีต้นทุนเด็ต้นทุนในที่นี้หมายถึงว่าเขาจะต้องได้ปฏิบัติสิ่งนั้นประจำปฏิบัติเพื่อขยายทีให้สิ่งมีกําลังใจให้เข้มแข็งให้กวางความขึ้นเพื่อได้ทํากรรมาฐานนะดังนั้นในพิธีการโัวเทียนที่ให้เหตุให้คุ้มให้ลึงให้เคยเกี่ยวกับการมีสติในการเคลื่อนไหวนี่เพื่ออย่าง เือเขาจะได้ใส่การเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแปลงเป็นกําลังสติปัญญากําลังกายนี่นะเปลี่ยนเป็นกําลังใจได้เพียงแต่ไมามีสติเท่านั้นอเพียงแต่ยัยงสมมติว่ า, น, าน้ำเหนียวมันตกฝนตกมาแล้วถ้าปล่อยมันไหลลงทะเลมันมีมันมีข้อหมายอย่างนด้ไหมบอแต่พอเขาไปกักขังเอาไว้ปั๊บนี่เปลี่ยนน้ำเป็นไฟได้อ๋ นี่ไฟฟ้าสว่างเนี่ยมันส่วนหนึ่งมาจากพลังนำเนี่ยประเทศเราเดี๋ยวนี้เหตุเคลื่อนขายนำเนี่ยส่งไปขายเมืองเล่าเมืองเวอมาเนี่ยนั่นน่ะเปลี่ยนน้ามาเป็นเงินเป็นทองได้อ่ะเปลี่ยนนามม้าไปเป็นไฟเป็นแสงสว่างได้คือกันการตีงการเคลื่อนร่างกายเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนให้เป็นสติปัญญาได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเทามีกรรมฐานแต่ถ้าเทาบุญกรรมฐานบนสามารถ เปลี่ยนการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวทั้งหมดแต่ละเวลานะั้นมันเหมือนกับพลังมหาศาลเลยพลังพลังหน้า ม, ม, มหาศาลแต่ว่าเขาบอสามารถรวมรวมได้มันก็เลยบอกว่าเป็นประโยชน์แต่ถ้าเขาได้ปฏิบัติกรรมาทานประจำํำเขาสามารถเปลี่ยนกํำลังกายให้เป็นกําลังสติปัญญากําลังใจได้มหาศาลขึ้นนนี่เป็นวัตถุดิบด้วยกันเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยเป็นวัตถุดิบแต่เขาจะต้องมาตั้งโรงนั่งานั่ ง, งขึ้นอย่างคือวิปัสนากับทาน สมร t กรรมฐ า, านเปลี่ยนเสมือนโลกงานสามารถที่จะแปลเปลี่ยนกําลังที่บอมันไหล่านี่ให้มันเป็นของที่มีค่าได้นั่นในเวลามูหลวงพ่อพาปฏิบัติพาทำท้องตั้งใจเห็ุให้ถือต้องนะแต่ยังถือต้องนั่นหลวงพาะว่าถ้าสถานที่ของเขานี่เหตุสร้างให้มันกวามควางดีงามกว่านี้ปั๊บมันสามารถรองรับคนได้หลายโมเมนแต่คนของเขาเม็นบุร่ษคนฝรั่งมังค่าม้าเมิดแต่ว่าเขาจะเหตุยังได มันเกิดมาจากความผัดความสะมาคีของมือหอก่อนเราพังได้ ว, วา่ามูอญาติยมพากันเห็นเอมันบอกน้ำโบข้อกําออกลังท่านี้เขาจะต้องมีกําลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญากำลังศัพท์กําลังบุญบา ร, รมีหลายๆกําลังมาช่วยกันกําลังทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้จะเข้าปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละตั้งใจเหตุตั้งใจทำไปซุ่มมือสุ่มมือแต่เดืตื่นนอนไปหาหอดอนอนรับ <c oughs> มันเหตุ้แต่ละเวลาในกรรมฐานแบบนี้ บวหาแต่ว่าจะมนานั่งเหตุตอนที่เขามีเวลาอย่างเดียวแต่เวลาเขาอยาไป จ, าจับนั่นจับนี่จะวัดแพร่ที่หลวงพ่อไปตัง้งขึ้นมาแพ่แสงเทียนีสําหรับคนบัท่านเป็นกรมาารมฐานนี่เพื่อโบเหตุเวียกเลยดดให้ปฏิบัติอย่างเดียวแต่แม่แต่แม่รัดด้วดีไปเข้าขั้วเพื่อท่ามหารนี่ถ้าบไดีบัวบุรีกรมาา ร, รมฐานบัวชำนั่นกรมาารมฐานก็บวให้ปเหตุรั้วพ่อ ย, อยังพ่อจะรักษาใจบเป็น เวลาในครัวแห่งเรื่องหลายได้เป็นบอกอันนี้จุกๆุบจิตแต่เราม่มีกรรมฐา น, นจิตใจไปมืดได้ทุมได้เที่ยงได้คัดแยงกันอันนั้นดีอันนี้วิอั น, น, นแซบบ่แซบว่ากันบุลงชงช้างไปกรรมฐานรุดมดมาเนี้แต่ผู้นี้มีกรรมฐานเข้าไปมิดไผ่มิดมั่นผู้มีนาทีเห็ดอันนี้ก็เห็ดไปผู้มีนาทีเบากันต่างคนต่างบิดในครัวบดีเสียงเลยเลยที่แผ่แสงเทียนเลยนะอ่าได้กลั๊บคอมาที่แสบเห็ดธรรมดาที่กี่ยแสบ พ่นวะเทวดาเวลาเหตด้วยสมาธินี่เทวดาเมื่อหยอดโอชารุเข้าไปพุนว่าแต่เหตุขั้วบุตรเมณสมาธินี่ไปยอดอะไดหยอดผงแสบเข้าไปมันเป็นโลกเป็นไฟเลยมันเนี้ยพะเหตุขั้วแบบบุรีสมาธิแล้วเหตุผงแสบเข้าไปแต่เห็ุคั้วแบบบุีสมาธิเทวดาบนมาใสโอชารุลงไปพุนว่าอดังนั้นเวลาเข้าขั้วนี่เข้าตรงมิดที่สุดต่างคนต่งมิดแต่คนทด่บทท่านมีแสดงบทบทท่านมีกรรมฐานบุญให้ออกมาก่อน เออพระเจ้าไปปฏดบัติกันเจ้าข้อเราเสียงดังกูม่เจ้าต้องไปเข้าปฏิบัติซะก่นอในย้าไดเข้าคัวเราไม่มีเสียงนะเออแสดงว่ามีกรรมฐานแล้วเพื่นก็เฮตโตะที่แผร่เซงเทียนเ่าไปมิโอการจะซืนอแม่ปรารถนาไปเข้าปฏิบัติทกเทือกึงที่จังหวัดแผร่กุ้นเนาะมงไทยกุ้นเนาะเออไปมิโอก า, จอารจ ะ, ะ, ะด้ย่ง ส, สมพนเยเราเคยไปมาแล้วนะแล้วนั้นหลวงพ่อเองก็ ได้มีโอกาสมายังสี่รือใครได้มาพักผ่อนหลวงพ่อลงเหยียบแผ่นดินไทยเนี่ตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบจุดก้าสุดท้ายดอกวกมีเวลาได้พักทํางานนะแต่ปีหนึ่งถ้าบุพอบุญมาพักที่หลวงพ่ออายุสั้นหลายแล้วนะต้องได้มาพักสักเดือนสองเดือนนะครับไปเห็นงานตอนงานมันงานมันหลายพ่ออย cards, ่างคนเนยที่บุรู่มันหลายมันบ่ะแต่คนรู้มันน้อยท้างก็จะเป็นได้ซอยได้สร้าง เปลี่ยนแปลงเขาคนที่โบรูกับเปลี่ยนให้รููขึ้นมากปริภาพปฏิบัตินี่แหละปฏิเหตุอย่างอื่นภาบปฏิบัติดังนั้นการที่เฮ้าจะมาร่วมกันไดเป็นสิ่งยากเพราะว่าคนที่เข้ามาแล้วต้องตกละกรรมลำบากเสียชีวิตไปป่วยตายกันหลายพี่คพิการไปกันหลายแต่เมูเ่เฮาปลอดภัยมานั่งฟังนั่งปฏิบัติหน่อยสิบุญหลายได้ไม่บอกนะคนที่มาบุรีเจ็บเป็นเย็นอุ่นรุ่งกบาลกันหลาย ในร่วงที่ยากมากบม่ได้มากก็มีไงบุญมปนจะมากง่ายๆดังนั้นมาแล้วก็ให้มันเรื่องใดมันเป็นเป็นมักเป็นผลได้ปฏิบัติได้ฟังธรรมจำศีลได้ทาประโยชน์ต่างๆขอให้ได้เหตุได้ทําดังนั้นวันนี้หลวงพ่อได้ปลบเรื่องนีมากสาหรับผู้นุ่งผู้หน่อยมาเข้าให้ได้ยินได้ฟังผู้เท่าผู้เทงเข้าให้ได้ยินได้ฟังว่าเป็นเหตุอย่างไรไปคิดกันแต่ผู้ปฏิบัติวันนี้จะเหตุอย่างไร ใหม้มันได้ไดผลดีๆอันนั้นก็คือตั้งใจเหตุไปก่อนคือยกบุงเผาผ้าโยมือก่อนโยกไปก่อนตั้งใจโยกไปอย่าฟอไปคิดเอาว่ามันจะได้โบได้มันจะได้อย่างไรอย่าฟอไปคิดมีหน้ดีเหตุเพอย่างเดียวแต่ว่าจะต้องมีอย่างหนึ่งมีศรัทธา ใ, า, า, าใจเอาบรนเทาวใจเอาสองมีความเพียรลงมือทําใจเอาลงมือทําแค่นั้นแล้วนอกนั้นมันค่อยเป็นไปเอง ถ้าใครเขาปลูกต้นไม้เนี่ยเขาปลูกแล้วนาทีเข้าคืออย่างนาทีเขาโคนนําเนาะโคนน้ ำ, นนำยาใจใส่พ่นดินโดนน้ำพักษารแมลงไม่มให้กวนส่วนต้นไม้มันจะใหญ่เป็นนาทีของมันไม่เป็นนาทีของเข้าเมื น, นาทีของเข้าคือมันใส่ปุ๋ยพ่นดินโคนน้ำเขื่อนแต่การเผาวน้ำเนี่ยเป็นการปลูกเผาวน้ำไปว่าปลูกฝังเลยเผาวนางนี้ไปว่าปลูกฝังการเอายังไปปลูก เอาสติต้นสติเนี่ปลูกลงไปแต่เขากะหดหนังใส่ปุ๋ยก็คือมีความหักมีความตั้งใจมีความเพียรหน้าที่ของเขามีทําความเพียรแล้วทำด้วยความหักเท่านั้นอันนี้หน้าที่ของเขาส่วนสติเท่านี้มันจเจริอนหรือบจเจริอนมันขึ้นอยู่กับเอาใจใส่ของเขาเท่าใจใส่ดีสติตัวนี้ก็จเจริอนเป็นสัมปทาญญาไงก็ไม่อีกหน่อยหนึ่งเป็นสมาธิ สูงขึไปอีกน้อยหนึ่งเป็นปัญญาสูงขึ้ไปอีกน้อยหนึ่งเป็นญาณสูงไปเป็นสูงไปเรื่อยๆแบบนี้แต่เม็ดมันคือเม็ดสติเนี่ยนะเม็ดทุกคนมีอยู่แล้วเม็ดมีมีเม็ดพันอยู่นี่แหละคือสติสติเป็นความผู้เมียข้อมูลซึกเนี่ยเฮานังข้อมูลซึกมีสองอย่างหนึ่งข้อมูลซึ้กายเช่นเฮานังเนี่ยนั่งดุเไปมันปวดแข้งปวดขามันนักมันเหน่อยนี่กะอันนี้ข้อมูลซึกทา้งกายเฮาต้องเบิ้งมันบ่ละเออเฮียเจงได้มันทนได้บ่ได้กะ บริหารจัดการผู้จักบริหารจัดการมือถือนี่มีสติทั้งกายแล้วสองมีสติทั้งจิตในขณะนี้จิตเขาอยู่นี่จิตเขาคิดอย่างบอกด้วยจิตเขาเป็นสมาธิบอกจิตเขาเบื่อบอกจิตเขาเซ็งบอจิตเขาขี้ข้านบอกจิตเขาคิดปุงแต่งฟุ้งซ่านบอจิตให้ม่วงเอาเศร้าซึมบอมีบุมีเขาก็เบิ่งมันมาหนี้อันใดมีเขาก็ออกไปอ่าเขาก็พยายามเบิ่งมันนี่แหละอ่าพวก กิเลสพวกปัญหาที่มันแทรกเข้ามาเหมือนเหมือนกับไอไอศัตรูพืชนะนะเหมือนกับศัตรูพืชเป็นมแมลงเป็นมาเจาะมาไขา่แมากินยอดกินตน้นมาเนี่ยความขึ้นขี้กิเลสมันมานําความคึ้น้ำบ่ขึก้กระโ บ, บมากนี่สินะ่ะดังนั้นเวลาเราปฏิบัตินี่กระเบิ้งปัญหาของกายร่างกายมีปัญหามันนั่งหลนบดสบายกับเพี้ยนมันไปแต่หนะากว่าอดทนได้ก็อดทนเบิ้งมันไปเรื่อยๆนะ่ะ อันนี้ปัญหาทางกายก่ให้แก่แก้ยังคู่ชึกตูสติมันจะจะกลายเป็นปัญญาถ้าแก่ด้ยวยความบุหูชึกตูสติมันจะกลายเป็นกิเลสอ่าเป็นได้ทั้งสองคั้งเลยถ้าปัญหาเกิดขึ้นถ้าแก้บ่กเป็นสติกลายเป็นกิเลสแต่ปัญหาเกิดขึ้นถ้าแก้ปัญหาเป็นสติกลายเป็นปัญญากลายเป็นธรรมะนี่เด้เม็ดเนี่ยถ้าปู๊บว่าเป็น อาเม็ดลงไปเม็ดลีบเม็ดตายเพื่อซื้อนั่นวะละแต่ ถ, ถ้าปูเป็นเม็ดที่เติบโตเป็นตน้นเป็นดอกเป็นกิงเป็นการเป็นลูกเป็นเถาไปเน่ยดังนั้นเองเขามีสติแล้วโมเมนว่าเขาม่เจ็เกิดเป็นเติบโตบมเมนนัเขาเอาใจใส่ถือรับบูถือเท่าใจใส่บูถือเม็ดตายเม็ดเน่าไปบางทีแม่งกับไปกินซะดีสินะแต่เข้าใจซึ่งมันเกิดเป็นตน้นเป็นตอไปดังนั้น มาภาวนาเนี่เพื่อที่จะมาพัฒนาสติคือความมู่งซื่องเมรยให้มันใหญ่ขึนยยข้นใหญ่ขึนยยข้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วมันจะเป็นหมโพอหมไส้เฮ้าคุนว่าตัวสติเนี่ยมันกลายเป็นหงพอหงไสมันกลายเป็นทีปกป้องป้อ ง, องแดดกันฝนกันเฮ้ากันหนาวให้เฮ้าเป็นเิ่ระมีตัวสติปัญญาแล้วหมข า, าขควาว่าราคาเหมือนฝนตกบดถึงเฮ้าทอสะเหมือนแดดมันจะบ่บเขาบอบหม่เฮ้า โมหะเนี่เหมือนหมอกเหมือนควันมันจะบอกหุ่มโปหุ่มเฮาราคาโทสะโมหะนี่ป้องกันได้แต่ว่าขอให้มีตัวสติที่เติบโตป้องกันเป็นห่มโพ้หุ่มไซ่เฮาได้แต่ถ้าบอพัฒนาบ่เอาใจใส่บ่ปลูกบ่ฝังนี่มันกับมีฝนตกมากก็ได้ตากฝนแดดออกมากก็ได้ตากแดดหมอกเมยมากก็ได้ตากหมอกตากเมย์บ่ไม่ยังป้องกันหมายความว่ายังไงถ้าเฮาบ่ไดปฏิบัติภาวนากรรมฐานนี่ ราคามากก็ต้องเป็นไปก็มันโทษสะมากก็ต้องถูกมันเผาโมหะมากก็ถูกมันหุม่มมันห้อมันอาทบมันทํามันถมอะไรนะดังนั้นในช่วงซิปมือเนี่หลวงพ่อว่าถ้าเฮ้าตั้งชิตตั้งใจเฮติลีเนี่ยต้องเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งในธรรมะต้องได้ดวงตายเห็นธรรมถ้าตั้งใจแต่ในขณะเดียวกันนีหลวงพ่อว่ า, าไปเมื่อวานว่าเฮ้ามาเนี่มาเสี่ยงล้องเบิงว่า บุญบารมีของเขานี่ยจะแหงพอบอกถ้ามันแห้งพ่อหมายควปัญหาอุปสรรคมันจะไม่มีมากวนนะแต่ถ้ามารวมกันแล้วมันกําลังมันบุพเนี่ยปัญหาอุปสรรคหลายอย่างมันจะเข้ามาบอเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้จนกระทั่งว่าภาวนาไปบุไดบุนะปะเด็นต่างซอยกันเบิงกันแยงว่าอันใดมันเป็นปัญหาแล้วก็ซอยกันแก่กันไขไปดังนั้นเวลาฮอดเวลาปฏิบัติเนี่ยลดล่าต่างๆเนี่ยหลวงพ่อบุญญาให้ข้อคับไปบุณถ้าเป็นไปได้นะจอดไว้หนี ไอ้คนเดินไปพุ่นเราไม่นด้บริเวกวนกันอะไรสินะถ้าฝนบปรโตกนะถ้าฝนมันโต๊กมันเป็นไปเล่นเป็นตรงมไปก็โอเคไปซุ่งเราขับมาจอดอยู่ทั้งพีไปจอดทิ่มพุ่นเลลีกันไปลีกันมากไปเหยียบทอน้ําแตกขึ้นเราเลยมันวัวปัญหามก็เกิดวันนี้ก็่ผมไม่ได้มาอาบน้ำเนามันปัญหาผมเก็เาก็องซอยกันลงมาระวังหน่อยเด้อเรมก็ฮะแล้วรบกวนม่นวัว อันนั่นน่หละมันก็จะมีเสียงค้นเสียงอย่างไปนี่หลวงพอก็เลยว่ามือต่อไปเนะี่ยเอออาจารย์มุงคลอยู่ทังพี่หลวงพ่อยุ่งทังพุ่นนั่นผู้ไม้มาฝึกมาอย่างอาจารย์มงคล้น่าพาฝึกอยู่พี่ น, นะผู้ที่มาปฏิบัติมีประสบการณ์เดากับไปพุ่นก็แต่มือหนีมือแรกเนาะบริว่ากันเนาะแต่มือต่อไปผู้ไม้มากนี่ก็กว้างขวางอาจารย์มุงคล้นพาปฏิบัติอยู่พี่ปฏิบัติชํานั้นแล้วอยากจะปฏิบัติกขมูก็ทรงไว้พุ่นในที่นะมันก็อย่าใดพอรบกวนกันเน แต่ว่าพุ่งพุ่นนี่พุ่เข้าเดินไปก็ได้เป็นบ่าละแต่ผู้ไม่พุ่งโบเคยไปต้องจำเป็นได้ให้รุดพุ่นผ้าไปนะแต่ถ้าจอดนี่กิบ่มีปัญหานั่นอันนี้เพื่อไงยายหากรรมการจะคน้นระเบนี้นะไอห้วงพ่อแลนเม้าเบิกเมาโบ๋เมาเ บ, า บ, กา บ, กาบิกมันก็ บ, บิกคืนนะมันว่าละจะต้องหาคนเป็นกรรมการจะค้นเรื่อยป้องกันให้อยู่ที่เ้อยจัดแต่งนี่เป็นว <c oughs> ่มเด้อซนซอยกันเด้อ ว, ว่าผู้ไม่ แต่ได้ถ้าผู้ไม้หลายคนบางที่อาจจะพุญบอกไปบุนไปสละบไมา่บุนหลวงพ่อยังบทนเบิงมันกว้างควงังไอ้มือเคี้ยวพวกนั้นเนี่ยกว้างๆเพราไดกว้างแต่มันก็ อ, อีมันเ ต, มเต็มหมดว่าแคบไปเมื่อไหร่เออท่าเคี้ยวเอาไปกองไว้ทํานึงมันก็จะกว้างสิเ น, นี่ย<อ>เพราะนั้นมือไทยๆคน น, านั้นหลวงพ่อจะแบ่งไป็สองกลุ่มกลุ่มผู้ไมอาจจะไปทุนกลุ่มผู้เขายนนี่ไสระันไปหลวงพ่อไปสระไปสลับมาอาจารย์บางคนเพิงเท่าหลวงพ่อมาอยุกบคุณ ไม่จมุขคุ่อยู่พุทธเก่าหลงเทือนหลวงพ่อก็อยู่คนเก่าใจบุญอยูคนณมัสารัพกันไปคืบักบุญมาเอาถ้ายู่บนเดียวกันในที่มันแคบมันบทสะดวกมันบละอันนี้เขาแบคนแดงให้รับแขกกลางให้กลางให้กันเอ้ยลองลองลองแต่งลองเบ่งเด้อป้องกันอุปสรรคเพื่ออย่างเพื่อให้คนเขาได้ตั้งใจเฮ็ดตหนึ่งอนี้เอาความ่ตหนึ่งนี่สคัญเลยถ้ามันสมมติเขาหนึ่งเขาหุงเข่าวนี่ยหนึ่งชั่วโมงมันถึงจะซุกเนี่ยปด ได้ซิมมาที่มันไฟขาดแล้วซิมมาที่นาแหงแล้วซิมมาที่เอาของเตาเสียแล้วจริงๆนะเพมันก็บ่อโตหนึ่งเนาะมันก็อุปสรรคเพราะนั้นเขากะต้องรักษาให้มันโตหนึ่งได้อย่างไดก็คือมีอุปสรรคหน่อยที่สุดนะแล้วนั้นก็ซอยกันแตงเงี้ยเรื่องกับเขากับปลาคือกันเอาม้าแล้วก็เอออย่างแตงเขายังจกำลังน่ะมาตั้งบนโต๊ะผู้ใดมากะตักใส่ผ้าไผ่ผ้ามันมานั่งกินกันนะนี่เอ้ได้ไปแตงเป็น ภาพเป็อย่างให้ยากลําบากเห็นแบบบูฟเฟ่เอาผู้ที่เ ข, าข่าขัวกะมีเมัวรักสักผู้นึงนอกนั้ น, น, นก็เวียนกันก็นเข้าไปเป็นมูอเออวันนี้เอาผู้ใดเป็นรักให้แม่สมพจน์เป็นรักเอาเมื่อไหร่แม่ชี้ฟ้องเป็นล่ อ, นล อ, อ, นองไ ป, องปซอยสักคนนึงมือต่อไปยายน้อมเอาไปซอยแม่สมพจ์เป็นรักสักผู้นึงจริงๆนะะเวียนไปเ่แม่เขาหูเขาไปซี้หาคนเต็มอ่ะเนีย่ยเมื่แล้วสักทีเสียงก็ลงเรงเต็มพวนี้หไดเ ตอนเมาไปเียีมิดมิดแต่พ่ต้องกินไลกินน้อยก็ได้ในช่วงบฏิบัตเนี่ยพ่อจะหิวยอนเราเขาไ่ได้เห็นเวีกยย่างเลยหอนั่งบุิบัตที่ซื้อเนี่ยกินไลกันเออกีนไลกันเมื่อยเลยแ้นั่งง่วงอยู่เสแล้วบวเ้าแล้วเเที่ยแล้ววัดหลวงพ่อเห็จตี่ยมเศร้านี่มีน้ำผลไม้คนละแก้วเท่านั้นนะแล้วมงเทียวกัมีกล้วยเลยนวยสองนวะก็เเทีวไปกินเพลย่างมะแรงก็มีน้ำปลาหน้าให้เนี่ยมเศร้านดนับ เวลาบริมือมุทิเกมิซิเรลแก้วนึ่งอย่นีงมีผลวเราใม่ทุกก็มีขดล ม, มัดอย่างนี้นะเอาใส่มือพ่อยพรายกับมาทากินกันมันบริบูรณ์มือคาร์ลอสเซเวราความจริงปฏิบัติกรรมฐ า, านต้องมาให้หิ ว, หวแน่หลไม่จะดีเนาะมมนจะได้เวทนาดีซู่มือดีเขาไปลงไพใ่ใกล้เจ็บเพร า, เากินตอนมันบหิวได้คนว่าถ้ากินตอนตอนหิวนี่ดีเพราะอย่างเพราะว่าเปิดโกรธหอมมลพลังหนอนะกรธอมมเหนทัุขภาพดี หาไปกินตอนโบยหิวนี่โปรตฮอร์โรมนพลังหลายเทือนเะลสุขภาพเขาดีเลยดังนัน้นมาถึงบอกว่าเออหิวนี้ดีกว่าอิ่มว่าอิ่มเนี่ยโอ้เช ม, มันไหจะหายนี่หลายชั่วโมงแต่หิวนี่ดื้นงน้าไปปอบเดียวเนะี่ยหายเงียบเลยนะไหมดังนั้นอันนี้เรื่องในครั้วการจัดแจงแต่งกันให้มันถึงได้เรื่องค้นเข้าออกกาจัดแต่งกันให้ดีนะอันนี้วันนะี้แล้วกาถ้าไปปฏิบัติอยู่พุ่นถ้าบริจมเป็นกครอย่าเอาโ ท, ทรศัพท์ไปเพราะว่ามันจะรบกวนมูอ นะเรื่องโทรศัพท์นี่หลวงพ่อวิจัยเมื่อหลายงานแล้วทางเมืองไทยนี่ผู้ดใดบอกเอาโทรศัพท์ให้ก่อนนี่หลวงพ่อบอให้เข้าเลยนะนะเจ้าบุเสียโทรศัพท์เอบอเอาโทรศัพท์มามืนบัได้ให้ลุงเธเปียนเขาล้มล้มเลยวเอาโทรศัพท์มาก่อนวะอ่ะถ้าเจ้ายอมได้เอได้เขา้าเอากันวันนั้นด้วยคนเดียวนี้คนมันติดเลยที่โทรศัพท์น่ะมีอยู่หันมัดชุดแนวน่ะมันค้นมันเสพติดเลยเานั้นอันนี้คือจัดการเนาะแต่กรลเวล่าคือกัน เอากระมาใส่บนเนี่ยพิธีชันเข้าพิธีรุ่ครั้วเดี๋ยวกาหนามทาเงาว่างแม่ว่าห้องน้าห้องส้วมก็ได้เขาว่าทั้งปุ่นนี่จะเพิ่มอีกหน่อยนึงเป็นเวลาทามีห้องน้ำห้องทาเขาไปยังบนท่านสมบูรณ์พร้อมแต่เขากาชัดเท่าที่ชันได้ก็ซวยกันเอาถ้าหากว่าหลายคนกันอยู่บอก่อเรื่องสถานทีนอกจากใส่ปุ่นแล้วใส่พี่แต่มือต่อไปถ้าหามันหลายมือ้าต่อไปเขากาจะใส่ปุ่นแน่ แต่เบื้องความจําเป็นอันนี้ก็ได้เบาหอดว่าเข า, าจะแต่งยังไงที่มีอุปสรรคปัญหาหน่อยแล้วค่อยซ่อค่อยเบื้องกันไปอันใดแนีย่ยแดดมันจะเป็นอุปสรรคปัญหาก็ค่อยไปแก้ไขไปได้แล้วมือเอานะเราผู้ที่เป็นผู้เท่าผู้โ ถ, ถไปพู้ลำบกักปฏิบัติเป็นหมูเล็กน้อยอยู่นี่ก็ได้เ ด, เด็กนุ่มเล็กน่อยอยู่นี่หลวงพ่อก็สลับไปสลับมากอาจารบางคนเพื่อจะได้เปลี่ยนกันเพอาะอยู่บุญสรับผู้ที่เป็นแล้ว พูดีเห็ดเงี้ยวได้เห็ดดนได้นะแล้วประการสําคัญเนี่ยถ้าอยู่กับหลายคนเขาจะบอกบ่กคุยกันอันนี้สําคัญเลยในในที่กรรมฐานที่หลวงพ่อเห็นด้วยนะมุสิเขียนว่าเขตปลอดเสียงเหมือนเด็เขตปลอดเสียงเดียวปิดวาจาอย่างนี้นะเดี๋วมิดนะวันนี้ผู้ใดบอกกันคือว่าในพิษกติกาออกจากมือไปข้างนอกไปคุยมีห้องนึ่งต่หากสั้าไปคุยกัน มูเจ้าอยากจะคุยกับเพื่นนางคุยอยู่พุ่นเลยจัดห้องหนึ่งใสพุ่นเลยโอ้ผมอดบอกคุยประเด็นไหมเจ้าใหญ่ไปพุ่นเหมอกันกบว่ากันเด้แต่ว่าบอกในนี้ประเด็เน้ต้องต้องไปนางบอกกับยูพุ่นได้อันนี้แนวนึ่งครับการสวยกันนอกนั่นเรื่องฟ้าเรื่องฝุ้นก็กับธรรมราธรรมชาติของเขาเนาะก็คิดว่านอกจากเสียงคนเข้าคนออกอแล้วก็ น้ำไฟห้องน้าห้องส้วมอาหารการกินมูนลนลธิถ้าจัดการมูลนีธิรุ่มโตใดนะก็บรีปัญห์ชายัางนอกนั้นกัการเจ็บไครได้ป่วยเนะาะก็มียุบมียาส่วนตัวของภัยธรรมะเตรียมอาไว้นะก็คิดว่าเฮาเฝ้าระวังอย่างซีแล้วก็คิดว่านาจะแก้ปัญหาใดระดับนึ่งนอกนั้นเรื่องครั้วเฮาจัดอย่างใดอันนี้ก็แล้วแต่ไม่ออกแค่การเนาะมันจะเป็น เพื่นเอาของมาไหว่บ่อหรือมีเจฉาภาพประจำวันบ่อหรือว่าต้องไปซื้อของบ่ออันนี้แม่สุพรนจัดการนะคุณฮูงานต่างต่างที่หลวงพ่อไปจัดอบรมในอเมริกานี่ก็มีแม่สุพรน์ย่มบริษาย่อมอุ่มย่อมอย่างต่างๆ่นี่แล้วแต่จัดทั้งใดถ้าจัดชิคก้ากูก็มีทีมชิก้ากูจัดการไปจัดทั้งแอลนตาก็มีทีมเช่นแต่จัดการเขาเตรียมไว้ให้ถ้าจัดราชเวกัสก็ทีมของราชเวกัสไปจัดการให้เรียบร้อยหลวงพ่อไปแต่อบรมเท่านั้นนะ ดังนั้นบ้านเฮ้ามันว่าเปนบ้านเฮ้ามันเป็นบ้าน เ, านเนานขาเมืองเขาเขาจัดการอย่างบริ เ, เต็มรอยปรเปอร์ซกนะแต่ว่าบ้านเฮ้านี้จัดการได้เต็มทีแต่ยังใดก็ตามเขาก็พยายามจัดให้ดีที่สุดเท่าที่ให้จะได้ทั้งนี้เพื่ออยังเพื่อสร้างสาทางด้านคิตใจเขานะให้มีกําลังทุย่างอยู่ที่กําลังใจมดถ้ากําลังใจดีนเนี่เฮ็ดยางสําเร็จมดแต่ถ้ากําลังใจบ่ดีเนี่ยเคยเบิงมวยปะ บาคนตัวน้อยๆนะบางอีคนตัวใหญ่กาลังดีแต่ไปสู้กับมือซ้ยตัวน้อยบ่อยไอ้ตัวน้อยกาลังใจมันดีกว่าพอฝลังไปชวกับมืไทยนึ่งพอเล่ตัวว่ลลงไปยังแพร่คแพรคนไทยอย่างนี้นอยเพราะว่ากาลังใจมืสู้น้อยเมืองถูกอาทิตย์เลยอ๋อเรื่อยๆเด๋ยวพใหญ่ติดมวยเลยนะเพราะฉะนั้นคือกันนอะปัญหาไปซักต่างๆสมมติเนี่ยอยู่ที่ใจยางเดียวถ้ากาลังใจถึงแล้ว บ่มีปัญหาเป็นอย่างบางคนเนี่โอ้ยเห็ดเวียกใดสูนแนวแต่บางคนโอ้ยเห็ดใดยังสอย่างกัไปบวกรอเลยจริีๆนะเพราะอยู่ที่กำลังใจเพราะฉะนั้นการสร้างกำลังใจคือสร้างคำว่าสตินี่แปลว่ากำลังใจเด้ออ่าสตินี่แปลว่าบินพาวเวอร์นี่คือกำลังใจเราจะต้องสร้างสติเอาไว้สตินี่สร้างเท่าไรกับบกเกินมันว่าสร้างแห้ดี ดังเพราะนั้นวิธีการสร้างสติก็คือค่อยเหตุค่อยทําอย่างตั้งตั้งสติก่อนเกอย่ยงตั้งสติซะก่อนค่อยเหตุตั้งใจให้ดีตั้งสติให้ดีเขาเตือนกันเรื่อยๆแต่ว่าสติแบบที่เขาสร้างเนี่ยมันเป็นสติสูงขึ้นไปตัวอันสติปฐานบอมเนมันจะบอกต่างบอกกันบอมเบนเน๊เวลาต้องบอกเจ้าของสติแนวนี้นะแต่ถ้าสติธรรมดาเนี่คนอื่นบอกให้เขาบอกให้ใจดีๆตั้งสติดีๆ บอกกันแต่ทัศนิประธานเนี่ยเขาตรงบอกเจ้าของเ อ, อตั้งสติดีเดชูเมียเด้จับนิคูเมียเด้อเนยตอนนั้นนะมันก็ยังขาดอยดู่ด้ขนาดบอกเจ้าของอยู่นะนยังผ่าดูเนี่ยก็มีพรบ่เทียงเปลียนอนิจังนะอนิจังทุกขังอนนาตานติตรตามเข้าทุกก่าวทุกก่าวอย่างแหละแต่พอมีสติปั๊บนี่เปลี่ยนอนิจังทุกขังอนนาตานให้เป็นซีนสมริตปัญญาเด้อ แต่ขาสติปั๊บนี่สีสติปัญญาถูกเปลี่ยนไปนในในิ จ, จ่างทุกขั้งหน้าตาแปลกบ่เพราะนั้นตัวสติเนี่ยหลงพ่อเทศมันเ ป, ป็นกุญแจหรัก ล, ลูกเอกถ้ากุญแจหายนี่เข้าห้องบ่อใดได้บ่ถ้ า, าได้กุญแจมาเปิดห้องใดคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงถ้าบ่มีสตินี่ใส่บ่อใดบ่เลยถ้ามีสติปั๊บใส่ไหนบะเพราะนั้นสติตัวนี้เราต้องสร้างให้ดีให้มันไว้ให้มันเลี้ยวให้มันถึกแต่ถ้า โบถือก็คือกุญแจพิษลูกนะไปเป็นกุญแจก็คือการเปิดวะไรนี่ว่ามิจฉาสติยังผู้ไรอะเขมว์เนี่ยสติมันดีกว่าเฮ้อเลยถ้าสติมันโบดีมันเป็นรักของโบไรด้วยไหมบ่แต่มันเป็นมิจฉาสติสติพิษมันไปให้คนอื่นเดือดร้อนเจ้าของก็เดือดร้อนแต่สติมันถือเฮ้าไปสบายเห็นให้คนอื่นให้สบายแต่สติมันพิษให้ทุกคนเดือดร้อนเจ้าของก็เดือดร้อนดังนั้น ภายในเจ็ดมือหรือสิบมือนี่ให้ทุกคนตั้งใจสั่งสถิติแต่ย่มใดถ้าผู้ใดเหตุยังเบายัางขาดสถิติมู่หลวงพ่อจะขอเตือนเด้เขาบอกเด้อันนี้ต้องขอพรไว้ก่อนด้วยมืนบอกเฮ้ยพี่ออกขาดสติเลยเด้จะไม่เียนให้หลวงพ่ออะไรเด้หลวงพ่อขอพรเอาไว้แล้วหลวงพ่อจะมีสิทธิใ์ในการบอกกันเตือนว่าเออขาดสถิติแล้ว้าดังหลดตรงไหนก็นจะค่อยๆบอกกัน ล้าพูดใดเหตุอยังกระหดกระวัดบม่มีสติหลวงพ่อบอกค่อยๆเห็ุค่อยๆเห็ุให้ตั้งสติก่อนอย่าฟ้าเหตุไปตั้งนี้ก่อนค่อยบอกค่อยเตือนกันบางคนเปิดภูมิใจอยงบุท่านมีสติเลยเราต้องค่อยบอกค่อยเตือนก็เอาเนาะเอาธรรมดที่หลวงพ่อว่ามาเนี่ยใดอยงบุท่านได้เข้าใจมิบอ i ะครับซัมบอรีแค่นักเก็ต a าวแอน h า i สปีกิ้งเอเวอร์บูรีแค่นั้นนะว่าอ t a ผมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันนะเพราะว่าคุณมีลูกชายอยูย่ทั้ง บ, าบ้านโบท่านได้มากะขอให้มากฝึกกันคนละมือสองมือคนละชั่วโมงสองชั่วโมงอ็ยางดีขอให้มา ก, กข อ, อ, ขอกยดขอขอได้เบียร์นิน่อยไปก็ยังดีนะโบได้ต้นได้ต่อไปเอาเบียรนิหน่อยก็ยังดีแต่ขอได้มาเห็ดเพราะว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองแต่ละคนส ม, มมอิผมไม่มีเวลา มีซีบอกว่าโอ้ยุ่งหลายมาบัวดเราเนี่ยนี่มิติคํากําเรียนทิดปากที่มาบัวดนั่นแต่ถ้าคนไหนมาใดก็ถือว่าเออบุญมาปัญญากเกิดมันถืออะไรเหตุให้พัฒนาถ้าบุมีอย่งหลงพ่อกับเขาโน้มนาทนาสาธุนะใ้พวกเราหลังหลายมีกำลังคิดกำลังใจเข้มแข็งสามารถต่อสู้สตดูมูม่านต่างๆทีมาก ผ่านมากันมากกลางบ่อยให้เราบรรลุคุณงามเพื่มดีคอยสืบดูงมุ่มั่นเอาหนั้นจงพินาศหายไปแต่สิ่งใดที่ทําให้เกิดความลงเบาสบายมีความลวงปรงในการปฏิบัติมีความสมบายมีความปลอดโปร่งปลอดภัยจากโรคไัยแกลเจ็บต่างๆคอให้พอนั้นจงสําเร็จแล้วคอยให้เขามีความตั้งใจสามารถพัฒนาเจ้าจของใดให้สัมผัสถึงมรรคผลนิพพาน ยกันทุกคนทุกทานคือ <tem po il>